พระเจริญพรท่านอุปนายกราชบดีสภาแล้วก็อาจารย์สแสงบุญชลวิพาดและญาติโยมสาธุชนทุกท่านาพูดถึงการทำงานเนี่ยนะจุดมุ่งหมายของงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใดก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยเราก็มุ่งทำให้สำเร็จนะไม่ใช่แค่เสร็จเท่านั้นแต่ว่าสำเร็จด้วยที่จริงคำว่าเสร็จกับสาเร็จนี่มันก็ รากศัพเดียวกันนะฮะแต่ว่าความหมายมเวลาพูดว่าสำเร็จเนี่ยกับเสร็จนี่มันแตกต่างกันอยู่บ้างหลายงานเสร็จแต่ไม่สําเร็จคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทํางานเนี่ยผู้คนก็มุ่งที่จะทํางานให้สําเร็จนะฮะแต่ว่าสําเร็จอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องถูกต้องด้วยนะเพราะว่า ถ้าสำเร็จแต่ว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดผลเสียผลเสียทั้งกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นตรงนี้เองเนี่ยที่ธรรมะเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญหลักธรรมเนี่ยจุดมุ่งหมายประการน้งคือเพื่อทำให้เกิดความถูกต้อง แล้วเมื่อเราต้องการทำงานเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้สำเร็จเท่า น, นั้นนะแต่ว่าเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยมันก็ต้องใช้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวกํากับนะเรื่องความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยเป็นในเรื่องความสำเร็จมากแต่บางทีลืมความถูกต้องนักเรียนนักศึกษา เวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะความสำเร็จของเขาหมายถึงการเรียนจบหมายถึงการได้เกรดได้คะแนนดีแต่ถ้าละเลยเรื่องความถูกต้องแล้วเนี่ยนักศึกษาหรือนักเรียนนั้นก็อาจจะใช้วิธีการที่ช่อฉนเช่นโกงข้อสอบทุจริตในห้องสอบนะซึ่งเราก็คงทราบดีแล้วว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยความสำเร็จเนี่ยของการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็ว่างเปล่าเพราะว่าไม่มีความรู้แม้จะเรียนจบแม้จะได้เกรดดีแล้วเกิดผลเสียตามมาเช่นถ้าถูกจับได้ก็อาจจะถูกตัดคะแนนถูกไล่ออกเสียชื่อเสียงวิทยานิพนธ์หลายชิ้นที่เกิดจากการไปคัดลอก ผลงานของคนอื่นนะอาจจะทำให้จบปริญญาโทรปริญญาเอกนะแต่ว่าพอถูกจับได้ว่าไปลอกของคนอื่นมาแล้วก็ไม่ให้เครดิตเขาก็ทำให้เกิดความเสียหายกับนักศึกษาหรืออดีตนักศึกษาผู้นั้นไม่อาจจะเรียนจบเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวคราวอยู่ ในเมืองไทยมีไม่มากแต่เมืองนอกนี้มีขา่าวทานองนี้อยู่มากทีเดียวซึ่งก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงนะเรียนจบได้ปริญญาเอกนะแต่ว่าเสียชื่อเสียงหรือบางทีถูกถอดนะอถูกถอดปริญญาด้วยนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่เราจะเคยได้ทราบเล่นกีฬานะทุกวันนี้ก็มุ่งที่ชัยชนะเพราะคนคิดว่าหรือมีความเชื่อว่า เมื่อแข่งขันเนี่ยจุดมุ่งหมายคือชัยชนะความสำเร็จของการแข่งขันคือชัยชนะแต่ถ้ามุ่งชัยชนะโดยที่ไม่สนใจเรื่องความถูกต้องมันก็จะลงเอยด้วยการโกงนะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นอยู่เป็นประจำนะบางทีไม่ใช่โกงในเกมเท่านั้นนะแต่ว่าอาจจะโกงก่อนเกมเลยเช่นใช้ยาโดก ก็ทำให้เสียชื่อเสียง น, ะนักกีฬาที่เด่น ด, ดังมีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนตอนนี้ก็เสียอนาคตไปเลยเพราะว่าโกงอย่างเช่นแลนซ์อัมสตรองเนี่ยหรือว่ามาเรียชราโบวาเนี่ยนะตอนนี้ก็อนาคตก็ดับไปละอย่างน้อยก็สองสามปีเพราะว่าถูกจับได้ว่าโกงนะก็คือการใช้ยาโดปนะแล้วเนี่ย เพียงแค่ความสำเร็จหรือชัยชนะอย่างเดียวไม่พอนะผลที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อใช้วิธีการที่ถูกต้องนะและตรงนี้เองเนี่ยที่ธรรมะเนี่ยมีความสำคัญนะธรรมะเนี่ยช่วยทำให้การทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ก่อผลเสียแก่ตนเองกับผู้อื่นทําให้งานนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สําเร็จชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าส่งผลดีอย่างยั่งยืนที่ถามว่าธรรมะอะไรเนี่ยหรือหมวดไหนที่จะช่วยทําให้ไอ้ความถูกต้องเนี่ยช่วยทําให้การทํางานเนี่ยถูกกํากับด้วยความถูกต้องหรือเป็นไปอย่างถูกต้องได้ มีธ ร, รมาหมุหนึงที่ที่จริงแล้วเนเหมาะกับพวกเราไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ก็คือคารวะสธรรมคารวะศรธรรมเนี่ยคือทําสำห ร, รับผู้ครองเรือนที่จริงมันก็เป็นธรรมะที่เหมาะสำหรับพระด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้เห็นว่าเนี่ยสาหรับคารวะนี่สำคัญมากมีสี่ข้อข้อแรกคือสัจจะสัจจะคือ การรักความจริงหรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตการมีสัจจากับความซื่อสัตย์สุจริตนี่มันมันไปด้วยกันนะฮะเราทำงานเนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันว่าเรามาทำงานก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการตกปากรับคำไม่ว่าเราทำงานที่ไหนเนี่ย ก็เป็นที่รู้กันว่าเงื่อนไขแรกที่เราจะต้องมีคือความซื่อตรงนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราคดโกงเนี่ยก็ถ้ากิดว่าเราไม่มีสัจจกนะการคดโกงเนี่ยนะมันแปลว่าเราไม่มีสัจจะและเมื่อเราคดโกงแล้วเนี่ยมันเราก็ต้องโกหกอยู่ล่ําไปไม่ว่าการคดโกงนั่นจะเป็นเรื่องของการ คดโกงในเรื่องเกี่ยวกับกา ร, การเงินบั ญ, บบญชีนะซึ่งการงานส่วนใหญ่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะไม่มากก็น้อยตนะอนนี้เนี่ยถ้าเกิด ว, ว่าเร า, เร า, เ, ราเรามีสัจจะเรามีธรรมะข้อแรกเนี่ยคาวะสัธรรมเนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยทำกิจการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนะมื่อเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยเราก็สบายใจ ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีคนรู้นะความผิดพลาดหรือความไม่ซื่อของเรานะอันนี้มันก็ทําใหเ้เราเองก็สบายใจนะความดีงามเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องฟุ่มเฟื่อยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้ค่าความถูกต้องดีงามเนี่ยผลเบื้องต้นก็คือมันทําให้เราสบายใจ และมันทำให้งานเนี่ยส่งผลดีนะเพราะว่าเมื่อเมื่อเป็นที่รับรู้กันว่างานนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องถูกศีลถูกทาคนก็ยอมรับนับถืองานนั้นแต่ถ้าเพียงแค่คนรู้ว่างานที่ทำเนี่ยมันมีความไม่ซื่อมีการคโกงมีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยให้งานที่ทำแม้มันจะสําเร็จดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่า ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือนะงนั้นสัจจะเนี่ยเป็นข้อแรกนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่เป็นที่รู้กันโดยที่ไม่ต้องกล่าวย้ำนะว่าไม่ว่าที่ไหนที่ไหนไม่ว่าการทํางานภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยสัจจนะนะความจริงการไม่บิดผิวคดโกงการไม่ทุจริตเนี่ยหรือ ผู้น่คือความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าที่ไหนเนี่ยนะเพียงแค่หากจับได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะก็อาจจะมีโทษถึงขั้นถูกไล่ออกได้อันนี้นอกจากสัจจาแล้วเนี่ยนะประการต่อมาคือมีขันตินขันติความอดทนอดทนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอดทนเฉพาะต่ออุปสรรคความยากลาบาก นะแต่ยังอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจโดยเพราะตัวโทสะและตัวโลภะการทำงานเนี่ยมันก็จะมีมทั้งสิ่งที่ยั่วยุแล้วก็ยั่วยวนนะยั่วยุคือยั่วยุให้โกรธนะคำพูดของเพื่อนร่วมงานคำวิจารณ์ของคนรอบข้าง หรือสิ่งยั่วยวนเช่นผลประโยชนนะ์ที่เกิดขึ้นหรือช่องทางในการที่จะสว่วงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการทํา ง, งานเนี่ยมันมักจะมีช่องหรือเปิดช่องให้มีโอกาสแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องมีขันติเนะพราะถ้าไม่มีขันติเนี่ยนะเราก็อาจจะเผลอทําตามอํานาจของกิเลสตามตามหน้าของโลภะก็คือคดโกง นะทุจริตหรือว่าทำตามหน้าของโทสะ ก, ก็คือดูดาทะเลาะวิวาหลายคนเนี่ยทำงานแม้จะทำงานเก่งทำงานสำเร็จแต่ว่าเกิดความวิวาบาดหมาง ก, กับเพื่อนร่วมงานนะไอการทำงานแบบนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เป็นที่ชื่นชมสรรเสริญเท่าไหร่ แต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะก็คือว่างานสำเร็จนะแต่ว่าองค์กรรล้าวฉานความสัมพันธ์แตกรล้านะอันนี้เราเราจะเห็นหรือเกิดขึ้นประจําบางคนเก่งนะมีความสามารถนะแต่ว่าเพื่อโร่วมงานไม่เอาไม่ครบเพราะว่าเขาไม่มีขันตินะเขาอาจจะพ่ายแพ้ต่อ ความหลงตัวลืมตนว่าฉันเป็นคนเก่งนะแล้วก็ดูถูกคนอื่นนะแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกระหนะ่ำกระแหนที่จะที่จะเหยียดหยามนะงานสําเร็จแต่ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเสียเนี่ยอาตมาว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนเท่าไหร่องค์กรเนี่ยถ้ามี ถ้ามีปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็สําเร็จได้ชั่วคราวนะแต่ว่าตามมาด้วยความร้าวฉานเป็นความสําเร็จที่ไม่ยั่งยืนเพราะเนี่ยขันติเป็นสิ่งสําคัญนะฮะอดกลั้นนะทั้งต่อต่อสิ่งที่มายั่วยุเย้าวยวนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอดทนต่ออุปสรรค ประการที่สามเนี่ยคือธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นททหารนะฮะไม่ใช่ททงทหารททหารมอมสัสมมมมสระธรรมะบางทีเราแปลว่าข่มใจที่จริงมันมันความหมายคือแปลว่าการฝึกใจนะฝึกก็คือฝึกใจให้ไม่เพียงแค่มีความอดทนนะแต่ว่ามีความขนขวานะมีความกระตือรือรน้นฝึกให้มี ปัญญามากขึ้นเรียนรู้งานการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะไม่หวั่นไหวต่อความล้มเหลวที่ปรากฏเรียนรู้จากความล้มเหลวมันก็ทำให้การทำงานนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและถ้าเราและถ้าเราฝึกใจดีเนี่ยมันก็ไปช่วยเสริมขันติดนะแทนที่จะต้องอดกลั้นอดทนนะเราก็สามารถที่จะ ก้าวข้ามสิ่งที่ยั่วยุยั่วยวนไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้ธรรมะรวมถึงการมีสติด้วยสตินี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราฝึกใจมีสติในการทํางานเนี่ยการที่เราจะวู่วามการที่เราจ ะ, ะการที่เราจ ะ, ะทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรมันก็ เกิดขึ้นน้อยลงประเด็นเนี้ยธรมาจะพูดในช่วงในช่วงหลังๆด้วยประการสุดท้ายเนียคือจากค่จากคก็คือความเผื่อแผ่เราคุ้นกับคาว่าบริจาคใช่ไหมฮะบริจาคเนียมันก็ไอ้คว่าจากเนียก็คือจากค่านั่นเองหมายถึงความเผื่อแผ่ความเอื้อเฟือ้อไอ้การทำ ง, งานเนียเราต้องมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ฮะเพราะว่า ถ้าเราไม่มีความเอื้เฟืเผือ่อแผ่เช่นไม่ให้โอกาสจับผู้อื่นไม่เปิดโอกาสให้ให้เขาได้ทำงานมีส่วนร่วมแสดงความพิดเห็นหรือว่าเมื่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เผื่แผ่ให้เครดิตกับคนอื่นให้กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะเมื่อเกิดความทุกเกิดความขัดแย้งขึ้นมาถึงงานจะสำเร็จนะแต่ว่าเพื่อนร่วมงาน นะเขาไม่เอาด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีจากคะเราไม่ให้โอกาสเขาในการที่แสดงความคิดเห็นเราไม่ฟังความเห็นของเขานะเราไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะให้เครดิตให้คําชื่นชมสรรเสริญแก่เขาจากค้าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะการให้ด้วยของเท่านั้นนะแต่ก็สําคัญนะเพราะในเวลาการทํางานเนี่ย การที่มีจาค้านี่ก็ช่วยได้มากเจ้านายโดยเพราะเจ้านายเนี่ยที่มีจาค้าเนี่ยจะไม่เพียงแต่ได้รับคำยกย่องแต่ว่าจะสามารถที่จะประสานน้ำใจของลูกน้องเนี่ยซึ่งช่วยทำให้งานเนี่ยมันสาเร็จได้ก็สาเร็จได้ด้วยดีด้วยเพราะเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจอย่างถ้าอาจารย์ป่วยอึงพกักกรเนี่ยปีนี้เนี่ยอายุ ถ้าท่านมีอายุยังมีชีวิตอยู่ก็จะอายุครบ1ศตวรรษหนึ่งศตรวตรรษแงชาติกาล อ, อาจารย์ป่วยปีนี้ท่านเป็นผู้ว่าการแบงชาติ12ปนะีนานมากทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนเก่งมากแต่ว่าท่านมีคุณสมบัติหลายอย่างที่อาจจะหาได้ยากในหมู่ผู้บังคับบัญชานอกจากความเก่งของท่านแล้วเนี่ยนอกจากความใจเย็นของท่านเพราะมีขันติ นะนอกจากการที่ไม่เป็นคนที่รักสัจจ์นะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงแม้จะมีโอกาสก็ปัดโอกาสนั้นทิ้งไปท่านมียางนงคือจากระเวลาเวลาท่านได้ของขวัญในวันปีใหม่เนะี่ยปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนเอาของขวัญมาให้ท่านมากมายนะเพราะว่าเป็นเป็นผู้่าแบงชาติ บางอย่างก็ไม่สมควรที่ทจะรับท่านก็ปฏิเสธเช่นเอาเงินมาให้ท่านนี่ท่านก็ไม่รับแต่บางอย่างที่ท่านที่ได้รับเนี่ยเป็นของขวัญเนี่ยท่านก็แจกนะฮะแจกลูกน้องแจกลูกน้องไปจนถึงคนขับรถนะไม่ใช่แค่รองผู้ว่าไม่ใช่แค่เลขาไม่ใช่แค่เจ้าพนักงานพวกทำทำบัญชีธุรการแม้กระทั่งคนขับรถก็ยังได้ของแจกที่เป็นของขวัญที่ท่านได้ในวันขึ้นปีใหม่ ว่ากันว่าท่านเหลือแค่ชิ้นเดียวนะก็คือ note, นนะสมุดโน้ตปฏิทินสมุดปฏิทินเนี่ยที่จะทีย จ, จดตารางการทํางานในแต่ละปีเนี่ยท่านว่ากันว่าท่านเหลือเหลือแค่สมุดเล่มนี้เล่มเดียวสมุดจดสมุดปฏิทินเล่มเดียวนะที่เหลือแจกเงินให้กองของขวัญที่พนิรนอยู่เต็มเต็มโต้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเคล็ดลับของความเป็นผู้นําของจันป่วยซึ่งทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะ แต่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จนะแต่ว่ามันทําให้การทํางานท่านเนี่ยสามารถที่จะระดมเอาความร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อโรมงานทุ ก, ท, กทุกขั้นทุกระดับเนี่ยนะก็ทําให้การที่ท่านจะรักษาความถูกต้องดีงามในแบงค์ชาติเนี่ยเป็นไปได้เพราะาคนเนี่ยยอมรับในจริยธรรมของท่าน แบงชาติในสมัยอาจารย์ป่วยเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องขององค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตนะมันไม่ใช่แค่สําเร็จทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเจริญก้าวหน้าว่ากันว่าหลวงอาจารย์ป่วยนี่ท่านเป็นบิดาของการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกที่สองทีเดียวนะฮะเพราะว่าทําให้เศรษฐไทยนี่มั่นคงเข้มแข็งทั้งในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งในเรื่องของการ การการสร้างมาตรฐานของธนาคารและองค์กรธุรกิจในเมืองไทยนะมันไม่ใช่เป็นความสำเร็จในทางเม็ดเงินแต่ว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนะอันนี้เนี่ยอาจารย์ป่วยท่านทำได้เพราะาท่านเป็นตัวอย่างท่านเป็นแบบอย่างซึ่งสามารถเยืะบันดาลใจให้ลูกน้องเนทำอาจารมาคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนสาคัญ เ, เพราะว่า ความมีสี่ประการท่า น, นสัจจะะขันติธรรมะแล้วก็จาระทั้งที่มาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการทำให้การงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่สำเร็จนะแต่มันถูกต้องด้วยนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยถูกต้องสำคัญกว่าสำเร็จนะคือแม้ไม่สำเร็จนะเพราะงานมันยากมันลำบากแต่ว่าถูกต้อง เมื่อการแข่งกีฬาเนี่ยคนไปคิดว่าจุดหมายสํำคัญของการแข่งกีฬาคือชัยชนะนะแต่ว่าสําหรับในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแม้จะแพ้แต่ว่าถูกต้องเนี่ยมันดีกว่าและที่จริงแล้ววีรชนหรือว่าคนที่รับการยกย่องในวงการกีฬาเนี่ยของโลกนี่หลายคนนี่เขาไม่ได้ชนะนะฮะเขาแพ้นะฮะแต่ว่าเขาทําสิ่งถูกต้อง มันเคยมีการแข่งแข่งแข่งสกีเนี่ยแข่งสกีอาตมาจำจำจำปีไม่นะ่าแต่มันมันหลายปีมาแล้วนะมันมีการแข่งระหว่างเข้าใจว่าฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เป็นตัวเต็งสองคนนะบอกว่าไอคนที่เป็นตัวเต็งเนี่ยนะทำไม้สกีหักไม้สกีมันมีสอ ง, สองไม้ไม้หนึงหักตัวตัวเต็งอันดับ2เนี่ยนะ ซึ่งเป็นคนนอร์เวย์เนี่ยนะแย ก, กนะยืดไม้ส ก, กีให้ฮะยืดไม้สกีให้นะก็ เ, ะเห็นว่าเขาเอาได้รับอุบัติเหตุนะและสุดท้ายเนี่ยคนที่ยืดไม้ไม้ส ก, กีให้ก็แพ้นะฮะแต่ว่าได้รับการยกย่องว่านะเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬามากมันจะมีเรื่องแบบนี้เนี่ยในในในวงการกีฬา ที่เป็นเรื่องของคนที่เขาแม้จะเป็นที่สองหรือเป็นที่สามเนี่ยแต่ว่าบางทีได้รับการกล่าวขานยาวนานกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องคือว่าเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็พร้อมจะช่วยนะบางครั้งมีการคราวหนึ่งก็มีการแข่งแข่งเรือใบไอตัวเต็งนี่นะก็ตัวเต็งนี่ก็บอกว่าเกิด โดนลมคลื่นพลิกควา่านะแทนที่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยจะชั่วการเนี่ยนะเข้าแล่นเรือสู่เส้นชัยลงไปช่วยลงน้ำไปช่วยนะให้เขาเนี่ยขึ้นมาจากทะเลได้อันนี้คือความถูกต้องฮนะแม้ว่ามันจะหมายถึงความการไม่มีโอกาสที่จะชนะหรือว่าการ เสียโอกาสในการที่จะชนะก็แล้วแต่แนะม่ตมาคิดว่าในการทํางานเนี่ยความถูกต้องเนี่ยควรจะมา ก, ก่อนนะแต่แน่นอนถ้าเราทําความถูกต้องแล้วเนี่ยนะโอกาสที่มันจะสําเร็จมันก็มีคราวนี้พูดถึงหลักธรรมเนี่ยจริงมันไม่ใช่หลักธรรมในพุทธศาสนาเ น, นี่ยมันไม่ใช่มีแต่เรื่องของความการทําให้งานถูกต้องที่ทําให้งานสําเร็จก็มีนะฮะหลักธรรมที่ช่วยทําให้งานสําเร็จเนี่ย ที่เป็นธุรู้จักกันนี้ก็คืออิทธิบาทสี่นะ น, นอกจากคารวาศธรรมที่ช่วยทําให้งานมันถูกต้องแล้วเนี่ยอิทธิบาทสี่ก็เป็นงานก็เป็นหลักธรรมที่ช่วยทําให้งานนี่สำเร็จอิทธิบาสสเริ่มต้นด้วยอะไรฮะเริ่มต้นด้วยด้วยคําว่าฉันท่าฉันท่านี่แปลว่าความชอบก็ได้หรือว่าใจรักก็ได้คนเราจะทํางานเนี่ยจะทํางานได้ดีจะทํางานได้สําเร็จต้องมองีอย่างแรกที่ต้องมีคือใจรัก ใจรับนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานที่จริงๆนี่มันขาดหายไปในการเรียนแล้วฮะสมัยนี้เนี่ยคนไม่ค่อยมีสันท่านในการเรียนแต่ถ้าเร า, ามีชันท่านในการเรียนเมื่ อ, อไหร่เนี่ยนะการเรียนจะกลายเป็นเรื่องที่สนุกและมีความสุขนะทาไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กก็ตามนักเรียนก็ตามนักศึกษาก็ตามเนี่ยนะเขาเรียนด้วยความทุกข์ นะเขาไม่มีกระจิกระใจที่จะเรียนหนังสือนะเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเรียนนะไม่สนใจในการเรียนเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ไม่สนใจนะในการทำงานทำเช้าชาันเย็นชามก็เพราะสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือฉันทะฉันทะคือความรักนะหรือการมีใจไฝ่ ที่จะทำจะเรียกว่าฉันท่าคือความอยากก็ได้นะแต่มันคือความอยากทําไม่ใช่อยากได้ถ้าอยากได้เนี่ยเราเรียกว่าตัณหาคนทุกวันนี้เนี่ยเวลาทํางานเนี่ยทำด้วยอํานาจของตัณหาคือความอยากได้อยากได้อะไรอยากได้เงินเดือนอยากได้ตําแหน่งนะนักเรียนถ้าเรียน ก็เพราะอยากจะได้โทรศัพท์มือถือจากพ่อนะของขวัญจากแมนะ่ก็เลยขยันเรียนแต่เป็นการขยันเรียนด้วยความจําใจนะเพราะไม่ได้อยากเรียนจริงๆแต่ว่าอยากได้รางวัลคนจำนวนทุกวคนจำนวนไม่น้อยทุกวัน น, วนีนนเน้เรียนมาทำงานเนี่ยเพราะอยากได้รางวัลอยากได้เงินเดือนมากกว่าหรืออยากได้ตําแหน่งแต่ถ้าเกิดว่า สร้างปลูกใจให้มีชั้นท่าขึ้นมาเนี่ยนะจะทำให้การทํางานแล้วเนี่ยเป็นการทํางานที่มีความสุขและมันเป็นปัจจัยสําคัญไปสู่ความสําเร็จฉั้นท่าเกิดขึ้นได้จากอะไรฉันท่าเกิดขึ้นได้ประการหนึ่งจากการที่เห็นคุณค่าของงานคนเรานี่ถ้าเราเห็นคุณค่าของงานเนี่ยมันจะมีฉันท่าขึ้นมาเอง การเห็นคุณค่าของงานเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าเห็นว่างานเนี่ยนะมันมีคุณค่าต่อชีวิตของตัวเองเวลาเราพูดถึงงานเนี่ยเรามักจำพูดถึงงานอาชีพที่ทำให้มีรายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยงานมันไม่ใช่เพียงแค่มีความหมายเพียงแค่ทำให้เรามีเงินเดือนทำให้เรามีรถยนต์ทาให้เรามีบ้านทำให้เรามีเสื้อผ้าสวย อันนั้นเนยเป็นคุณค่าที่ฉาบช่วยคุณค่าที่สาคัญเนี่ยเป็นคุณค่าทางใจคนเราเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยขาดงานไม่ได้นะงานเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองงานมันทำให้เราเนี่ยนะเห็นคุณค่าของตนเอง มีหลายคนเนี่ยนะพอไม่ได้ทำงานแล้วเพราะเกษียณ mm. ก็ห่อยฮะหงอยแต่ว่าจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีที่ได้งานหรือที่ได้ทำงานไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนต้องมีรายได้ก็ได้อาตอมาเคยไปประเทศไต้หวันนะฮะไปดูงานของมูนิธิฉือจี้มูนิธิน่าสนใจมากนะ ก็มีสมาชิกเนี่ยเล้านคนนะฮะหนึ่งในสของประเทศนะฮะสำนักธรรมกายที่เราคิดว่าใหญ่แล้วเนี่ยเจอชือจี้นี่ชิดซ้ายนะฮะเพราะว่าชือจี้นี่เขาเขาใหญ่มากจริงๆทั้งสมาชิกหนึ่งในสประเทศนะแล้วก็ความความร่ํารวยแต่ไอความร่ารวยที่เขามีนี่เขาเอาไปใช้ในการทํางานพัฒนาฮนะเช่น ทำโรงเรียนทำโรงพยาบาลสร้างหมหาวเทลาลยโรงเรียนแพทย์เขาเนี่มีชื่อมากและกิจกรรมหนึ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือการทำสถานีแยกขยะทั่วประเทศห0 0พแห่งนะฮะั้มาเคยไปเยี่ยมสถานีของเขาเนะผู้คําว่าสถานีเนี่ยดูเหมือนใหญ่นะที่จริงมันก็เหมือนกับโกดังนะแล้วก็มีอาสาสมัครชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคน เป็นอาอากงนะอาแปะนะอันนี้พูดมองจากสายตาของเรานะมานั่งยองยองนะเอาขวดพลา ส, สติกเอาฝาขวดเนี่ยมาถอดออกมาจากจากขวดนะเพราะมันจะมารีไซเคิลได้เอากระดาษเชียร์ อ, <hydraulic S 1> ออกมาเพราะทำรีไซเคิลได้เอาทองแดงออกมาจากอุปกรณ์อุปกรณ์เทอิเอล็กทรอนิกส์คนเหล่านี้เนี่ยนะ ที่เราเห็นเป็นอับอับแปะอัอมาอาม่านี่ยนะที่จริงเนี่ยเขาเป็นคนที่พวกสเกษียณแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีฐานะที่ดีบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นสถาปนิกบางคนเป็นผู้จัด ก, การธนาคารกสเกษียณแล้วเนี่ยมาเป็นจิตอาสาให้กับมูลนิธิฉุยจี้มีคนหนึ่งแกบอกว่าผมน่ยคื อ, ค อ, อยขยะคืนชีพ แกบอกว่าตอนที่แ ก, กเกษียณเนี่ยแกรู้สึกคิดไร้ค่ามากเลยชิดไร้ค่ามากนะเคยทํางานเคยมีความรับผิดชอบมากมายเสร็จแล้วพอกเกษียณก็ได้แต่วั น, ว, นวันก็ได้แต่นั่งนั่งนั่ ง, น, งนอนนอนดูโทรทัศน์กินๆินนอนๆไม่มีอะไรทําไม่เหมือนคนแก่ที่เมืองไทยนะคนแก่ในเมืองไทยเนี่ ย, อ ย, ยอย่างน้อยนะก็มีเวลาว่างก็สานกระบุงตะ ก, ก้าทอทอแห я. หรือไม่ก็เลี้ยงหลานแต่คนไต้หวันเนี่ยเขาไม่ค่อยมีลูกกันเท่าไหร่ดงนั้นคนที่เป็นคนที่อายุหกสิบเจ็ดสิบก็ไม่มีลูกไม่มีงานทําไม่มีลูกไม่มีห ล, ลานเอาไว้ดูแลเลยสุกตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าเหมือนขยะพอมาเป็นอาสาสมัครืูจี้แล้วเนี่ยเารู้สึกเลย ว, ว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาไอ้ที่เคยเป็นขยะเนี่ยมันกลายเป็นขยะคืนชีพแล้วครับเขาไม่ได้เพียงแต่ทําให้ขยะในมือเขามีคุณค่าขึ้นมา ด้วยการรีไนะแต่ว่าไอการที่เขาได้ทำเนี่ยแม้เป็นจิตอาสาเนี่ยมันทำให้เขาสึกมีคุณค่าประโยชน์อย่างหนึ่งของงานเนี่ยและสําคัญมากคือการทําให้เราสึกว่าเรามีคุณค่ามีความหมายมันช่วยเติมเต็มความรู้สึกนะบางอย่างในจิตใจซึ่งมีความหมายมากกว่าเงินทองคนเหล่านี้เขาไม่เขาไม่ต้องการเงินแล้วฮะแต่เขาก็มาเป็นอาสาสมัครฉีดจีซึ่งอาตมาคิดว่า คนแบบนี้มีเยอะนะต้องการทำงานมาทำงานเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าหรือทำให้เกิดความสุขใจคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของงานนะในลักษณะนี้นะเราก็จะไม่มีฉันทาในการทำงานและการทางานเป็นเรื่องยากขมเหมือนกับการเรียนตอนเด็กๆนะแต่พอเราเห็นคุณค่าของงานว่าเออมันช่วยชุบชู บ, บางอย่างภายในใจเราเนี่ย ไม่ทำให้เรามีความสุขการทํางานนะวันไหนที่ไม่ได้ทางานเนี่ยก็จะรู้สึกขอเหนะี่ยวก็ต้องหานนหานี่ทํานะต่ตมาคิดว่าเราควรจะมองเห็นคุณค่าของงานมากไปกว่าเรื่องของเงินเดือนหรือว่าตําแหน่งหรือว่าอำนาจนะสิ่งที่มีคุณค่าทางใจและคุณค่าของงานมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นงานอะไรนะ มันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่าแก่งงานนั้นหรือเปล่าถ้าเราให้คุณค่าแก่งงานนะั้นงานก็ให้คุณค่ากับเราคุณค่าของงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีรถประจำตำแหน่งไม่มีเงินเดือนเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าทัศนคติกกของเราว่าเรามองเห็นคุณค่าของงานนั้นไหมถ้าเราเห็นคุณค่าของงานนะั้นเราให้คุณค่ากับงานนะั้นงานนั้นก็ให้คุณค่ากับเรามี คุณหมอคนหนึ่งนะฮะอันนี้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาสิกว่าปีมาแล้วคุณหมอนนี้แกเคยเป็นรัฐมนตรีตอนหลังพอพอม้นตำแหน่งก็กลับมาแต่แทนที่จะเข้ากระทรวงสาธารณสุขก็กลับมาช่วยงานที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่นะมีกิจการใหญ่โตมีโรงงานมีตึกใหญ่หลายชั้นนะที่งที่ ธุรกิจของคุณคุณพ่อเนี่ยก็จะมีที่จอดรถอยู่หน้าตึกหน้าอาคารรถเข้าออกเนี่ยเวลาเป็นร้อยคันอาจจะร้อยสองร้อยสามร้อยซ้ำคุณหมอคนีก้ก็สังเกตนะแกเป็นคุณหมอหนุ่มแกสังเกตว่ามีพนักงานคนหนึ่งแกเห็นตั้งแต่เล็กแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุหกสิบกว่าแล้วแกมีหน้าที่ ปุมรถเข้าออกแต่แกทำงานกระฉับกระเฉงมากแกไม่ดูเหมือนมีความสุขมากเลยคุณหมอสนใจก็เลยไปถามวันหนึ่งก็จอดรถไปถามว่าลุงทำงานตรงเนี้ยเฉพาะตรงเนี้ยนะกีป่ปีแล้วบอก10ปีแล้ว1ิปีเฉลยแล้วลุงไม่เบื่อเหรอลุงจะบอกจะเบื่ออะไรคุณหมอสนุกจะตายนะ ทำไมถึงสนุกล่ะแกก็พูดจนาะคุณหมอลองคิดดูนะเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาผมยกมือเนี่ยห้ามลดเข้าเนี่ยลดทุกคนก็ต้องเชื่อผมแม้กระทั่งรดของคุณพ่อคือเจ้านายเนี่ยก็ต้องต้องหยุดนะตอนเมื่อผมกวางเนี่ยนะถึงจะเข้ามาได้แค่นี้แก้วสุก็มีความสุขแล้วแก้วสุกว่าแกมีคุณค่าการที่แกทำหน้าที่ คุมรถเข้าออกเนี่ยมันเป็นงานที่เงินเดือนก็น้อยแดด ก, ก็แรงเหนื่อยแต่ว่าแกมีความสุขเพราะอะไรแกเห็นคุณค่าของงานนี้ว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ทำให้แกลูกสาวแกมีคุณค่ามีความหมายแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทก็ต้องเชื่อแกนะหยุดยกมือห้าเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดนะกวาดมือเรียกเข้ามาถึงจะเข้ามาได้ อันนี้เป็นเรื่องมุมมองนะฮะตรงข้ามกับหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้จัดการมีเงินเดินเยอะมี็รถประจำตำแหน่งแต่ว่าเบื่อนะไม่มีความสุขกับการทา ง, งานเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าเพราะเขาอาจจะคิดว่าเพื่อนร่วมงานของเขาหรือเพื่อนร่วมรุ่นของเขาที่จบมาด้วยกันนะคนหื่ น, นี่รวยนะไม่รู้ก้าวหน้าไปไหนแล้วเนี่ยฉั น, ย, นยังเป็นแค่ผู้จัดการธนาคารแค่นั้นเอง ถ้าคิดแบบนี้ไม่มีความสุขครับคิดแบบนี้มันไม่เกิดฉันท่านในการทางานนะเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของงานที่เขาทำนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นให้คุณค่ากับงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานที่เล็กน้อยจะเป็นงานเสมียนเป็นงาน เ, เก็บกวาดนะทำความสะอาดมันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณสักเกือบหกสิบปีที่แล้วเนี่ย นะตอนที่เริ่มตั้งองค์การนาซาใหม่ๆพวกเราคงทราบดีแล้วว่ า, อ, าอเมริกาไม่ใช่ประเทศแรกที่ส่งยานอาวกาศเนี่ยไปโครจรรอบโลกประเทศแรกคือรัสเซียนะนักบินนักอวกาศคนแรกคือยูริกากรินชาวรัสเซียอเมริกาตกใจมากเลยที่รัสเซียเนี่ยเป็นที่1ด้านอาวกาศนะบินส่งยานอวกาศไปโครจรรอบโลกก่อนอเมริกาทั้งที่อเมริกาเนี่ย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระเบิดนิวเคลียร์ทั้งอะตอมทั้งไฮโดรเจนก็อเมริกาแต่มาแพ้แพ้รัสเซียในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอวกาศอเมริกาก็เลยตื่นเต้นก็เลยตกใจนะก็เลยถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเอาชนะรัสเซียในเรื่องอวกาศจะไปจะส่งมุดคนแรกไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็ไปเหยียบดวงจันทร์อันนี้เป็นวาระห่งชาติตั้งแต่เคนเนดีแล้ว ก็มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งนักนักข่าวนะไปจะไปสัมภาษณ์พูดในกาลองกนนะารนาซาไปแต่เช้าเลยเจ็ด <c oughs> โมงกว่ า, นะาผู้นำของอเมริกานี่หลายคนที่ทำงานเช้านะฮะนะผู้นำแอปเปิเนี่ยนะทอมทิมคุกเนี่ยนะไปไปถึงสำนักงานแอปเปิลนี่ก็เจ็ดโมงแล้วก่อนนั้นก็ไปออกกำลังกายนะ ชั่วโมงครึ่งไปแล้วครึ่งชั่วโมงพวกนี้ไปทํางานเร็วฮะตอนที่ไประหว่างที่รอผู้อำนวยการอยู่เนี่ยก็ไปเห็นคุณป้านึงแกทําความสะอาดนะพื้นแกทํางานเครื่องยนตแข็งมากเจ็ดโมงเช้านะนักขาก็เลยสนใจไปถามคุณป้าบอกว่าเนี่ยงานที่แกกําลังทําเนี่ยนะเป็นการช่วยให้ อเมริกาเนี่ยส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์งานถูพื้นเนี่ยนะแกไม่ได้มองว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยเป็นแค่อาชีพที่มีรายได้นะชั่วโมงละไม่กี่เหรียญแต่มันคือมันคือส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้อเมริกาเนี่ยเอาชนะรัเสเซียได้ในเรื่องอวกาศนะแกเห็นคุณค่าของงานขนาดนี้เนี่ยนะ จะถึงมีชันทะฟังเรื่องนี้แล้วทำแม่ตมานึกถึงเรื่องเล่าของช่างก่ออิฐ3คนนะทำงานใกล้ๆกันเลยคนนึงก็ก่ออิฐไปสักพักก็จะก็จ ะ, ก, จะก็จะหยุดนะแวบะบไปสู่บุรีสู่บุหรี่ก็สู่แบบอ้อยอิงสูบเสร็จจึงค่อยๆเดินย่างม า, าอย่างช้าๆมากาะ อ, อิฐ ทีละก้อนทีละก้อนคนที่สองนี่ทํางานกระฉับกระเฉงหน่อยนะแต่ว่าทําไปก็ดูนาฬิกาไปเพราะตอนนั้นมันเย็นละสี่โมงละ้ะดูว่าเมื่อไหร่จะเลิกอีกคนหนึ่งนี่กระชับกระเฉงยิ่งกว่า น, นั้นทํางานนี่ไม่มีอู้เลยไม่มีแบบไปสูบบุหรี่แล้วก็ไม่สนใจนาฬิกาด้วยเงื่อนี่เต็มหลังเลยแกทํากระฉับกระเฉง เมื่อไปถามคนแรกถามว่าคุณทําอะไรเขาบอกผมกําลังก่ออิฐครับไปถามคนที่สองทำอะไรผมกำลังก่อกําแพงถามคนที่สามคนที่สามตอบว่าผมกําลังสร้างวัดครับสามคนนี้เนี่ยนะทํางานเหมือนกันเลยแต่ว่ากิริยาอาการแตกต่างกันถามว่าใครขยันมากที่สุดนะคนที่สาม ทำไมอะไรทําให้เขาขยันเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้กาลังก่ออิฐไม่ได้สร้างไม่ได้ไม่ได้ก่อกําแพงเขากําลังสร้างวัดแล้คนไทยเนี่ยนะไอการสร้างวัดเนี่ยมันเป็นมหากุศนะแล้วเขาคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกาลังช่วยอุปถัมภ์ศาสนาเขาเห็นงานที่เขาทำไกลามากเลย ไม่ใช่แค่ก่ออีกอก่ากำแพงหลายคนเนี่ยทำเพียนแค่ก่ออีกอก่อกำแพงนะแต่คนที่สามเนี่ยนะเขาเขามีฉันทะฮะเพราะเขารู้เขาทําอะไรมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคล้ายๆคุณป้าคนที่ว่าเขาไม่ได้แค่ทําความสะอาดอพื้นแต่เขากําลังมีส่วนช่วยให้อเมริกาเนี่ยนะเอาชนะรัเสเซียได้นึง่งอากาศ เห็นคุณค่าแบบนี้ก็เกิดความขยันเลยฮะเกิดวิริยะนะชั้นทาเนี่ยมันนาไปสู่วิริยะความเพียรและเป็นความเพียรที่มีความสุขนะไม่ใช่เพราะว่าจำใจจาใจขยันไม่ใช่เพราะดีใครมาจําจจำใจแต่ว่าทําเองด้วยความสมัครใจคนก่ออีกสองคนแรกเนี่ยอาจจะทําแบบขอไปทีเพราะว่ามาเพียงแค่มาทำงานเพียงแค่ต้องการเงินเดือน ต้องการค่าจ้างรายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำไปเพื่อรอว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกงานนะหลายคนทำงานแบบนี้คือรอเมื่อไหร่จะเลิกงานเพราะก็คิดว่าเขามาทำงานเพียงแค่เพื่อจะเอาเงินเดือนเอาค่าจ้างรายวันแต่ถ้าเราเห็นว่า ง, งานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่านะต่อส่วนรวมเช่นเราเราอยู่ราชบัณฑิตเนี่ยนะสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่มีเงินเดือนเอาไป เอาไปส่งเสียครอบครัวแต่ว่าเรากําลังมีส่วนช่วยทําให้เสริมสร้างวิทยาการเสริมสร้างศิลปวิทยาของประเทศชาติทําให้ผู้คนเนี่ยมีความรู้แตกฉานมีความรู้งอ่งเงยนะในวิชาการต่างๆมากขึ้นซึ่งมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้ประเทศชาติมีความเจริญผู้คนมีความผาสุกถ้าเรามองเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะทํางานอย่างสนุกนะเราอาจจะอยากจะมาทํางานที่นี่แต่เช้า แล้วก็เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรถ้าเกิดว่าเราจะกลับบ้านทีหลังใครนะเพราะเรามีความสุขนะันท่ามันทำให้เกิดความสุขนะและฉันท่าทาให้เกิดความเพียรด้วยเป็นความเพียรที่มีสุขนะฮะันท่าทาให้เกิดวิริยะนะนะความขยันเนี่ยนะถ้ามันถ้ามันมาจากใจนะ ไม่ใช่มาจากสิ่งกดดันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นความเพียรที่ยั่งยืนและมีความสุขควาว่าเหนื่อยจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะก็เหมือนกับแม่หรือพ่อของเรานะเหนื่อยยากเพื่อเรา ตื่นเชา้าบางคนก็ตื่นเช้าแต่ตีสองตีสามเพราะเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้ากว่าจะได้นอนก็สี่ห้าทุ่มบางทีเที่ยงคืนแต่หลายท่านเนี่ยทำด้วยความสุขฮะเพราะว่าใจไงฮะคือความรักรักลูกนะแล้วก็ยินดีที่จะทำเพื่อลูกทำอาหารเพื่อลูก เหนื่อยยากเพื่อลูกหรือว่าสมัยก่อนก็อาต้องซักผ้านะเพื่อลูกแต่พ่อแม่ก็ไม่บนนะพ่อแม่มีความสุขเพราะอะไรฮะพ่อมีฉันทะนะมันมาจากใจนั้นฉันทะเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะปลุกให้ขึ้นมาให้มีขึ้นมาในใจ มันมีคาพูดว่าเราไม่อาจเลือกทํางานที่เราชอบได้แต่เราสามารถที่จะชอบสร้างความชอบปลืกความชอบขึ้นมากับงานที่เราทําได้ะไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดนะการสร้างฉันท่าในงานนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้เสมอแม้จะเป็นงานที่เงินเดือนน้อยซีต่า มันจะเป็นงานที่ดูเหมือนว่ารูทีนนะแต่ว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของงานก็ขนาดแม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาดคุณป้าเนี่ยแกยังทางานยังมีความสุขได้หรือว่าคุณลุงที่คุมรถเข้าออกโรงงานเนี่ยแกก็ยังทำงานงมีความสุขทั้งที่เหนื่อยทั้งที่แดดแรงมันเป็นเรื่องของใจเรันั้นฉันท่านนำไปสู่วิริยะและวิริยะเนี่ยคือความเพียรเนี่ยก็จะนาไปสู่ จิตตะจิตตะคือการจดจอ่อนะเวลาเรามีความเพียรแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความจดจ่อในงานแต่ว่าการจดจ่อเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทั้งสมาธิแล้วก็สตินะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่คุมใจด้วยสมาธิหรือสตินะมีวิริยะอย่างเดียวบางทีก็ฟุ้งซ่านได้นะวิริยานี่บางทีก็ทาให้ฟุ้งซ่านได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติมีสมาธิกำกับเนี่ยมันจะทาให้มีการจดจจอในงานเรื่องสติตมาจะพูดนะตอนในตอนหลังจากนี้งั้นเมื่อเมื่อเรามีจิตใจจดจจอในงานเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ศักยภาพนะใช้ความสามารถที่เรามีเนี่ยลงไปในงานนั้น และธรรมดานะคนเรานี่ถ้ามีจิตตามมีความจดจ่อแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้งานออกมาดีตรงนี้สิ่งที่จะมาช่วยเสริมก็คือวิบงังสาวิบังสาคือการพิจารณาใคร่ครวนขยันอย่างเดียวไม่พอนะฮะมันจะต้องมีการ พิจารณาใคร่ควรว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมมันตรงตามเหตุตามปัจจัยไหมมันจะนําไปสู่ถึงมุ่งหมายที่ต้องการหรือเปล่าบางทีความขยันเนี่ยแต่ถ้าขยันแล้วไม่พิจารณาไม่ทบทวนไม่ไม่ใคร่ควรบางทีก็ออกนอกลูก่นอกทางได้หรือว่าพาไปสู่เส้นทางที่มันอ้อมนะไม่ใช่ทางตรงดังนั้นการใคร่ควรเนี่ยสำคัญ ทางพุทธศาสตร์สาวิมังสาวิมังสาคือการพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงไหมเราทําดีแล้วหรือยังถ้าเราอยากจะถ้าเรามีชั้นท่านเนี่ยเราจะอยากให้งานออกมาดีแล้วเมื่อเงามาเมื่ออยากให้เงามาดีเนี่ยเราพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะพิจารณาพร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่นเพื่อทําให้งานดีตรงนี้มันทาให้เราเนี่ยใจกว้างต่อคํา ความคิดเห็นของผู้อื่นคนที่รักงานรักงานที่ตัวเองทำเนี่ยใจจะกว้างครับนะแต่ถ้ารักตัวมันจะแคบใจจะแคบถ้าทำงานเพื่อแสดงอัตตาตัวตนของตนเนี่ยนะใจจะแคบจะไม่ฟังความเห็นของคนอื่นแต่ถ้ารักงานเนี่ยใจจะกว้างอยากจะฟังความเห็นของคนอื่นว่าเป็นยังไงมีอะไรที่ต้องจะข้ขปรับปรุงไหม พร้อมรับคำวิจารณ์นะตอนนี้เนี่ยปัญหาคนทำงานซึ่งนำไปสู่ความร้าวฉานความขัดแย้งในที่ทำงานจํานวนมากนะไม่ว่าจะเป็นหมหาวิทยาลัยภาคธุรกิจภาครัฐ ภ, ภาครัฐเนี่ยคือการทนฟังความเห็นที่แตกต่างกันไม่ได้แค่ความเห็นที่แตกต่างแลยังไม่ต้องพูดถึงคำวิจารณ์นะ แค่ความที่แตกต่างก็ทนฟังกันไม่ได้เพราะว่าใจแคบอันนี้มันสะท้อนองหนึ่งการที่ไม่มีวิบงังษาแล้วก็พื้นฐานคือขาดฉันท่าในงานถ้าถ้ามีฉันท่าในงานเนี่ยเราอยากจะให้งานออกมาดีและเมื่องานอยากให้งานออกมาดีก็ต้องพร้อมยินดีที่จะรับฟังความเห็นของคนอื่นนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะมีความรักในงานรักในสิ่งที่เราทำเนี่ย ความเห็นที่แตกต่างกันก็ดีเนี่ยเราจะไม่ปิดกัน้นอัตมาประทับใจศาสตราจารย์คนหนึ่งนะแกอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะ Oxford, อันนี้เรื่องนี้ก็มันก็เก่าแล้วนะฮะสัก้าสปีได้ศาสตราจารย์คนนี้แกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาสูโรจีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนั้งอิตาเลียนเนี่ยแกเสนอแกบอกว่า ในเซลล์ของคนเราเนี่ยหรือเซลล์เซลมนุษย์เนี่ยมันจะมีมันจะมีองค์ประกอบชนิดหนึ่งเรียกว่าโกกิอปัลลัสนะอย่าไปสนใจชื่อมันนะฮะนะแต่มาแค่ยกตัวอย่างตอนสมัยนั้นเนี่ยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาเพราะนั้นเนี่ยความสามารถในการเห็นองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่นักวิทยาศาสตร์ติเลียเนี่ยบอกว่ามันมีองค์ประกอบที่ชื่อว่าโกกอปัส ศาสตราจารย์คนที่เป็นชาวอังกฤษที่มาล็อกสอร์นี่แกบอกไม่มีเป็นไปไม่ได้แกก็แ ก, แกทําวิจัยมาเยอะนะแกก็ศึกษาเรื่องเซลล์มาเหมือนกันแล้วแกก็พยายามพูดพยายามบอกว่ามันไม่มีมันเป็นแค่อุปโหลเองนะแกพูดอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้ววันนึงเนี่ยมาล็อกสอร์ก็ไปเชิญนักวิชาการชาวอเมริกันหนุ่มคนหนึ่งมาพูดที่คณะสตอวิทยา ที่ออกซอร์ดเลยของาศาสตราจารย์ชาวอังกฤษคนนี้และหนุ่มชาวอเมริกันคนในจารย์ชาวอเมริกันคนนี้แกก็เอาหลักฐานมานะเพือ่อจะพูดเป็นลําดับเป็นฉากๆเลยนะคงจะมีสไลด์อะไรมาด้วยเนี่ยพือย่อบอกว่าจริงๆแล้วโกลกิอาพัลลัสนี่มันมีเป็นการพูดที่มีน้ําหนักมากและพูดต่อหน้ า, าศาสตราจารย์คนนั้นในคณะของาศาสตราจารย์คนนั้นด้วยาศาสตราจารย์คนนั้นในแกเป็นผู้ใช้บุคคลของคณะศคณะ วิชีววิทยานะลองนึกภาพนะถ้าเราเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าคนคนหนึ่งที่ที่จะบอกว่าไอสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันผิดนะต่อหน้าธารกรรมนั้นเราจะรู้สึกยังไงอาจารย์คนนั้นพอพูดจบนะอาจารย์ชาวอเมริกันเนี่ยคนก็ตบมือนะาศาสตราจารย์ชาวอังกฤษค น, นเนี่ยเดินไปไปที่โพเดียมไปที่เวที ไปทำไมทราบไหมฮะไปขย่ามือแสดงความยินดีบอกขอบคุณนะขอบคุณพูดดีมากขอบคุณที่ทําให้ผมรู้ว่าผมผิดมาสิบห้าปีไม่มีความสเสียหน้าเลยะฮะทั้งที่ถ้าเป็นเมืองไทยนะโอ้โหนี่มันถักหน้าฉีกหน้าเราอย่างแรงเลยนะมาพูดในสิ่งที่เรามาพูดถักล้างในสิ่งที่เราเถียงมาตลอดเนี่ย แต่ศาสตร า, าจารย์ชามกรุ ค, คนนี้แกไม่มีความที่แบบนี้เลยแกไปขอบคุณฮะหนุ่มชาวอเมริกันซึ่งในแง่ดีกรีในแง่ชื่อเสียงนี่ก็ถือว่าด้อยกับแกเยอะแกทำนี้ได้ยังไงฮะแกทำนี้ได้เพราะแกรักวิชาการคนที่รักวิชาการเนี่ยมีฉันท่านในวิชาการเนี่ยยินดีถ้าเกิดว่าจะทำให้ตัวมีความรู้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าไอความเห็น ของคนอื่นเนี่ยมันจะขัดกับสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่ถ้ามีเหตุผลดีกว่าเขาก็รับฟังไม่ใช่รับฟังเฉยๆนะยอมรับด้วยไม่ใช่ยอมร่างเดียวนะฮะขอบคุณด้วยนะวันนี้ น, นี่เรียกเป็นคนที่มีธรรมะมากทีเดียวนะแม้ว่าแกไม่ใช่พุทธนะแต่ว่าแกเป็นคนที่มีธรรมะมากนะอันนี้พราแกมีสิ่งที่ทําพุทธศาสนาวิมังสาครับนวะิมังสาก็คือ ความพร้อมความใคร่ควรวญนะพิจารณาซึ่งในกรณีเนียเราพูดถึงเรื่องงานนะฮะคือการใคร่ควรวนเพื่อทำให้งานออกมาดีนะแต่มันก็มาใช้ได้กับงานวิชาการด้วยนะมันไม่ใช่แค่ ง, งานทั่วๆไปอย่างเดียวอธิ บ, บาคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่ช่วยทำให้เรามีความสุขเนี่ยไม่ใช่แค่สำเร็จอย่างเดียวน ะ, ะก็คืออิทธิบาทสี นะอิธิบาตสีเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะจะช่วยทำให้งานสำเร็จนะและคนทำก็มีความสุขท่านจะคุณผมคุณอาพรท่านสรุปสั้นๆว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปรัชญาหรือว่าแนวคิดการทำงานของชาวพุทธนะก็คือว่าเมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยงานต้องได้ผลด้วยคนก็เป็นสุขด้วย แล้วคนที่เป็นสุขคนแรกนะก็คือคนทำงานและถ้าทำได้ดีกว่านะคือคนหนึ่งก็เป็นสุขเพื่อโรงงานก็เป็นสุขด้วยแต่เรามักจะพบว่าในที่ทำงานหลายแห่งเนี่ยนะงานได้ผลนะคนไม่เป็นสุขนะเครียดนะเครียดไม่ใช่แต่องค์กรธุรกิจบางทีโรงเรียนก็เหมือนกันถ้าโรงเรียนเนี่ยโอ้ยโรงบ้านหลายโรงเรียนเนี่ยนะเด็กนักเรียนนี่มีความสาเร็จทางวิชาการมากแต่ครูนี่เครียด ลาออกกันเป็นว่าเล่นนะก็มีทุกองค์การธุรกิจองค์กรภาครักองค์กรธุรกิจนี่ก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าบางทีลาออกไม่ได้เพราะว่าออกไปแล้วไม่รู้จะหางานทำที่ไหนก็ต้องทนอยู่แต่อยู่ด้วยความเครียดก็ทะเลาะ ก, กันน ะ, ะในญี่ปุ่นนี่คนทำงานที่ฆ่าตัวตายนี่เยอะนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าทำงานด้วยความเครียดงานได้ผลคนไม่เป็นสุข ในญี่ปุ่นนะฮะหรือในอเมริกาเนี่ยงานได้ผลคนไม่เป็นสุขแต่เมืองไทยนะฮะงานไม่ได้ผลแต่คนเป็นสุขนะเพราะคนก็เฮฮากันนะไม่ต้องทาอะไรกันนะก็เฮฮากันงานจะเป็นยังไงไม่สนใจนะบางทีเชาวชานเย็นเชา้ชาก็มีความสุขเหมือนกันตอนนี้นอเมริกาเนี่ยเขาพยายามทํานะฮะให้ทําให้งานได้ผลคนก็เป็นคนก็เป็นสุขด้วยและ ว, วิธีหนึ่งที่ช่วยทาให้คนเป็นสุขนะ ก็คือการเอาสมาธิภาวนาเนี่ยนะไปใช้นะสนักงานใหญ่ๆ ใ, ในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple Google นะฮะรวมทั้งองค์กรที่ทำงานเกี่ยวเรื่องความคิดสร้างสารรค์ไมโค o ซอฟท์ซิแอตเทิลเนี่ยหรือแม้ก็ทั่งองค์กรแบบธนาคารโลกเนี่ยนะ ตอนนี้ค่อยความสนใจเรื่องนี้มากคือคนทำงานก็มีความสุขด้วยก็ส่งเสริมการนำสมาธิไปใช้สอบสุนให้คนทำงานเนี่ยทำสมาธิแต่เขาไม่ใช่เรียกว่าสมาธินะบางทีก็ไม่ใช้ไม่ใช้คำวาา่า meditation ด้วยซ้ำเพราะเขาสอวม่มันมีนัยยะทางศาสนาอย่างเช่น Google นี่เขาใช้ว่า search inside yourself มันมีโครงการที่ชื่อว่า search inside yourself แสวงหาภายใน ในตัวเราแสวงหาะฮะแสวงหาความสุขแสวงหาศักยภาพนะมีการเชิญครูมีการเชิญคนมาสอนสมาธิอย่างธนาคารโลกเนี่ยเคยเคยนิมนต์ท่านติณฑทานเนี่ยไปสอนการทำสมาธินะธนาคารโลกนะฮะซึ่งทําเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยแต่เขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยคนทํางานเนี่ยมันต้องมีความสุขด้วยฮนะแล้วทุกวันนี้คนทํางานเครียดเนี่ย พอเครียแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วพอไม่มีความสุขงานที่ออกมาก็ไม่ค่อยดีการเท r ร์นโอเวอร์ก็สูงถ้าเป็นองค์กรธุรกิจนะีการเทอร์นโอเวอร์หมายถึงการเปลี่ยนการเปลี่ยนคนทำงานออกเข้าออกเข้าออกเนี่ยอาจามาคิดว่า เ, เรื่องการทำงานเนี่ยงานได้ผลคนก็เป็นสูงนี่สำคัญอันนอาจาเมื่อเมื่อเมื่อตอนต้นกับตอนกลางๆก็พูดเรื่องสตินะสติเนี่ยสคัญอย่างไร สตินี่มันช่วยทำให้เกิดจิตตะนะสิตาที่เป็นข้อสามในใ น, ในที่บาทสี่ใจจดจอ่ออาตมาอยากจะพูว่าคนทุกวันนี้ทำงานไม่มีความสุขเนี่ยส่วนก็เพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้จดจอ่อจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำในทางพุทธศาสนามันจะมีมันจะมีคาพูดว่าอยู่กับปัจจุบันนะ ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเนี่ยเราเครียดนะฮะคนทํางานหลายคนเนี่ยเครียดนี่ไม่ใช่เพราะว่าเนื้องานมันยากนะฮะแต่เพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่กับอนาคตใจมันคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมืันเหมือนกับเวลาเราเดินทางถ้าเราเดินทางไกลนะทันทีที่เราคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะเราจะเครียดทันทีเลยแล้วเราจะรู้สึก ง, งุดหงิดมากถ้ารถติด ถ้ามีสัญญาณไฟบางทีเราไม่ต้องรีบไปเที่ยวเราไม่เราไม่จะปต้องรีบอะไรเลยเราไม่มีความรีบร้อนเลยแต่ทำไมหลายคนไปเที่ยวแล้วเครียดนะเพราะว่าใจคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเพราะนั้นเนี่ยพอเจอรถติดพอเจอไฟแดงก็หงุดหงิดแล้วนะความท่วงคนทำงานเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดจากการที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับอนาคต ว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จหรือบางทีก็ไปนึกถึงงานอีกหลายชิ้นที่กองอยู่อย่างหลายคนอาจจะฟังคำพยาธามานี่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าคิดถึงตอนบ่ายนี้ตอนเย็นนี้ไปต้องไปประชุมจะต้องไปคุยธุระจะต้องไปหาพ่อหาแม่จะต้องไปไปคุยกับลูกนะมีเรื่องที่จะต้องคุยอะไรสัสางกันพอคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแล้ว คนทํางานส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะฮะใจไม่อยู่กับปัจจุบันมีหลายคนทีเดียวนะที่อาตามาฟังแล้วเนี่ยนะม า, มาเล่าให้อาตมาฟังเนี่ยออว่าเขาบอกเวลาทํางานเนี่ยนะทํางานก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะใจนึกถึงลูกที่บ้านแต่เวลากลับไปบ้านเจอลูกใจก็นึกถึงงาน เวลานอนก็แทนที่จะหลับก็คิดถึงงานเลยนอนไม่หลับพอเวลามาทํางานก็ง่วงนอนนะเพราะไม่ได้หลับเนะี่ยถ้าเราทํางานแล้วคิดถึงลูกนะเราก็เครียดเราก็ไม่มีสมาธิกับงานใช่ไหมฮะเวลาอยู่กับลูกครั้นเวลาอยู่กับลูกนะแทนที่จะอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยคิดถึงงานก็เครียดนะปัญหามันแก้แกไม่แก้ไม่ยากเลย projects, เวลาทํางานใจก็อยู่กับงานอย่าเพิ่งนึกถึงลูกเวลาอยู <Johnny. S 2> ่กับลูกใจก็อยู่กับลูกไม่ต้องนึกถึงงาน เวลานอนนะก็นอนซะวางงานวางงานทั้งหมดลงนะม่ทําให้เราได้หลับพักผ่อนได้ดีขึ้นถึงเวลาเรามาเราเราไปทํางานเราก็ทํำด้วยใจที่กระชุมกระชวยเราคนทุกวันนี้เนี่ยนะถ้ า, าว่ารู้จักทําใจใอยู่กับปัจจุบันนะยอมรับปัจจุบันคือยอมรับงานที่ทําอยู่นะ วางเรื่องอดีตวางเรื่องอนาคตลงไปกุจะทํางานนี้มีความสุขมากขึ้นอดีตก็คือว่าอุปสรรคความล้มเหลวต่างๆในงานที่เคยทำก็วางไว้ก่อนนะอนาคตมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันผลของงานมันจะเป็นอย่างไรก็เอาไว้ก่อนเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดงานจะออกมาดีนะคนก็มีความสุขอันนี้ มันไม่ต่างจากเลยฝึกจากการเตะลูกโทษนะเราสังเกตไหมบอลบอลยูโรเพิ่งเลิกไปใช่ไหมฮะเตะลูกโทษเนี่ยนาจุดโทษเนี่ยนะไม่ว่าจะเตะเพื่อชิงแชมป์หรือว่าเตะเพื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นนัดสำคัญเนี่ยเราเคยสังเกตว่าทาไมคนสำคัญคนเก่งๆหลายคนเนี่ยเตะลูกโทษไม่เข้าทั้งที่ มันอยู่ห่างจากโกลแค่1ิเมตรแค่นั้นนะ่ะอยู่ห่างจากประตูแค่1ิเมตรทำไมเตะไม่เข้าโดนันโดเตะไม่เข้านะชนเสาอนะ่เยอรมัน3มคนเตะออกระดับโลกเนี่ยอะไรชื่ อ, อไรโอซิลใช่มชวายนี่นะเตะเตะออกไปนอกประตูนอกกรอบกรอบประตูเขเคยมีการทำวิจัยนะฮะพบว่า จะเตะรูาเข้าไม่เข้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทักษะเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ใจคนที่คนที่ทีมที่มีประสบการณ์การเตะที่ล้มเหลวมาจะมีโอกาสเตะไม่เข้าเช่นทีมอังกฤษทีมฮอลแลนด์นะอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เตะไม่เข้าคือการไปคิดถึงว่าถ้าเตะไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นเตะไม่เข้าจะแพ้เตะไม่เข้าจะถูกโคลาเนี่ย ดักเตะที่พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยนะพอเตะเขา้าเตะย่างเตะไม่เข้าอันนี้เขาทำวิจัยมานะฮะตั้งแต่ทำบอลโลกเมื่อคราวที่แล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่อาตมาพูดมาสักครู่นะว่าไอการทำงานเนี่ยนะถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะวางเรื่องอดีตอย่าเพิ่งไปพะวงเรื่องอนาคตนะ เราจะทำงานได้ดีแล้วก็จะมีความสุขง่ายๆมันมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะชื่อบูสเคิร์บีแกปีนเขาสูงที่สุดในโลกทุกทวีปมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแกบอกว่าเนี่ยประสบการณ์การปีนเขาของแกเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาคือว่าแกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมักดูน่ากลัว ก, กว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกล แกบอกวเวลาแกปีนเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาแกมองยอดเขาเนี่ยนะแกจะรู้สึกท้อมากเลยมันไกลมันชันมันลำบากแต่แกเพราะเทคนิค ก, การปีนเขาที่ดีคือว่าง่ายมากเลยนะเทคนิค ก, การปีนเขาของแกคือสนใจพื้นดินใต้ใตฝ่าเท้าและก้าวไปทีละก้าวถ้าคุณก้าวไม่หยุดนะแล้วก็ถูกทางนะถูกเส้นทางนะถึงแน่ เป็นวิธีการปีนเขาเป็นเทคนิคการปีนขเนานขาวที่ง่ายมากสนใจพื้นในใต้ฝ่าเท้าและเดินไปทีละก้าวนี่เป็นเทคนิคการทำงานที่ช่วยได้มากนะคือคุณไม่ต้องเวลาคุณทำงานคุณไม่ต้องสนใจนะว่ามันจะเสร็จเมื่อไหรไม่ต้องสนใจว่าจะมีงาี ก, กี่ชิ้นรออยู่คุณแค่ทำงานที่อยู่ข้างหน้าให้ดีนะตรงนี้แหละที่เราจิตตะจิตตะคือการตรจจอ่อหลายคนเนี่ยทุกเนี่ยนะ ไม่ใช่เพราะงานที่ทำแต่ทุกที่ข้อใจที่ไปพวาวงถึงผลที่จะตามมาถึงงานที่ยังคาอยู่รวมทั้งอาจจะนึกไปถึงคนอื่นมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นหลายคนทำไม้มีความทุกข์เพราะสึกว่าคนอื่นทำงานน้อยกว่าเราคนอื่นกินแรงเรานะเจ้านายไม่เป็นทําให้งานเยอะกับเรา วันเสาร์แล้ววันศุกร์แล้วนี่แทนที่ให้คนอื่นมาให้เราเนไอการคิดแบบนี้ น, นะมันทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้เครียดเอาแต่มาประทับใจเด็กคนหนึ่งนะเด็กคนนี้อายุสิบสาเมื่อส6ปีก่อนเนี่ยมันมีรายการของไทย PBS ชื่อพลเมืองเด็กเป็นรายการที่เอาเด็ก สคนเนี่ยมาทํากิจกรรมบางทีก็เด็กเจ็ดแดขวบบางทีก็เด็กสิบสอบาขวบมีคราวหนึ่งก็เด็กประมาณในสิบสอสาขวบมาให้ทํากิจกรรมคล้ายๆเรลิลิตี้โชดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรคราวนั้นก็เอาเด็กเนี่ยให้เด็กทำกิจกรรมอย่างหนึ่งคือขนของคือรถไฟก็มีเด็กผู้หญิงคนเด็กผู้ชายสองคนขนของคือรถไฟที่กรุงเทพนะรถไฟนี่มันมีเวลาออกที่แน่นอนเพนื่อต้องรีบขนนะ พอเอินบายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดรู้จักสมจิตไหมฮะรู้จักนะเด็กสองคนเนี่ยก็แวบบทิ้งงานเนี่ยไปดูสมจิตชกที่ร้านกาแฟเด็กอายุสิามผู้หญิงคนนี้แกก็ขนของแกแกก็ขนของของแกโดยที่ไม่ได้ด้วยความ ด้วยความกระตือรือร้นพิธีกรกสส็สงสัยก็เลยก็เลยไปสัมภาษณ์แกว่าคิดอย่างไรที่เพื่อนสองคนเขาทิ้งหนูไปดูสมจิตชกมวยเด็กคนนี้ก็กตอบว่าหนูก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตชกหนูก็ไม่ค่อสนใจบอลเท่าไหร่ไม่สนใจชกมวยเท่าไหร่ นะหนูก็เลยขนของขนขนขนของหนูไปพิธีกรยังไม่พอใจคําตอบนะก็เลยก็เลยก็เลยลุกนะบอกว่าเนี่ยหนูไม่โกรธหรือไม่คิดจะด่าว่าเขาเหลอที่ทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวนะเด็กตอบดีเด็กตอบว่าหนูขนของคึ้รถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างเป็นเรานี่เราจะเหนื่อยกี่อย่างฮะใช่ไหม คนฉลาดนี่เหนื่อยกี่อย่างนะคนฉลาดต้องเหนื่อยอย่างเดียวนะคือเหนื่อยกายนะแต่ถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเหนื่อยใจด้วยคือไปพอไปโกรธไปด่าว่าเขาก็เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยกายเด็กฉลาดนะเด็กเขารู้เลยนะถ้าไปโกรธไปด่าว่าใครเนี่ยนะมันเหนื่อยใจแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทํางานเนี่ยไม่ใช่แค่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจด้วยเหนื่อยใจเพราะว่าไปไปโกรธเพื่อนร่วมงานที่เขาทํางานน้อยกว่าเราไปโกรธเจ้านายที่เขาไม่เป็นธรรมกับเราให้งานเราเยอะ อาจารย์บอกว่าคนร่างจริงไม่ได้เหนื่อยเพราะงานนะฮะแต่เหนื่อยเพราะการที่ใจเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันไปเช่นไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นบอกเขาทํางานน้อยกว่าเราเขาได้ซีมากกว่าเราเป็นต้นจริงอยู่นะไอการการโดดงานการทิ้งงานก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ว่าในขณะที่เราทํางานเนี่ยเราก็ควรจะวางสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนนะ จะไปเคลียร์กันก็ไปเคลียร์ทีหลังนะหลังจากเสร็จงานแล้วก็ไปเคลียร์กันนะไปสัมมนากันก็ว่าไปแต่ตอนที่เราทำงานเนี่ยนะเราพยายามให้ใจยอยู่กับปัจจุบันนะมันจะช่วยทำให้หนึ่งเรามีสมาธิสองเราจะไม่ทุกข์เพราะไปหาเรื่องใส่ตัวนะการอยู่กับปัจจุบัน ยังหมายถึงก็ว่าการไม่บน่นไม่โวยวายไม่ติโพยติพายนะเพราะถ้าเราบน่นโวยวายติโพยติพายเนี่ยมันเป็นการซ้ําเติมตัวเองนะฮะคนทุกวันที่ซ้ําเติมตัวเองบ่อยมากเช่นป่วยนะป่วยแทนที่จะป่วยกายเดี๋ยวก็ป่วยใจด้วยเพราะการบน่นโวยวายติโพยติพายเงินหายโทรศัพท์หายรถถูกขโมยแทนที่จะเสียแต่ของ พอบ่อนไวไยตีโพติไฟเป็นยังไงใจก็เสียฮะสุขภาพจิตก็เสียเท่านั้นไม่พอถ้าบ่นเวไยตีโพติไฟเสียใจมากมกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียสุขภาพกายก็เสียต่อมาคือทํางานไม่ได้ถึงแม้ไม่จะไม่ป่วยแต่ไม่มีกระติกกระใจทํางานงานก็เสีย แล้พออารมณ์หงุดหงิดเพื่อนมาหยอกมาล้อมาเซวแต่ก่อนเขาก็หยอกล้อปกติแต่ว่าพอเราไม่มีอารมณ์เราก็ด่าเขาเกิดการทะเลาะกันเสียเพื่อนอีกแทนที่จะเสียแค่อย่างเดียวนะฮะเสียเงินเสียของก็กายเว่าเสียใจเสียสุขภาพเสียเสียงานเสียเพื่อนอันนี้เราเราซ้าเติมตัวเองฮะ โทรศัพท์เนี่ยคนอื่นอาจจะขโมยเราไปเงินเนี่ยคนอื่นโกงเราไปแต่เสียอีกสอย่างเนี่ยเราทําเองทั้งนั้นนะฮะคนเรามักจะซ้ําเติมตัวเองแล้วถ้าเราเป็นพราะเราวางใจไม่เป็นและเราก็ใช้เราก็ทํานี้กับตัวเราเวลาเราทํางานเราซ้ําเติมตัวเองฮแล้วเราก็โทษว่าที่เราทุกข์เพราะคนอื่นที่จริงเราทําเราเองอย่างเด็กคนนี้ก็ะชลาดเด็กคนนี้แกบอกว่า ถ้าจะทำงานขอเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ถ้าระวังจะไม่เป็นนั่นเราเหนื่อยสองอย่างกา็เหนื่อยกายเหนื่อยใจและการที่จะช่วยทำให้เราเหนือ่อยอย่างเดียวได้คือการที่เร า, เรามีสติกว่าปัจจุบันจดจิตจดจอ่ออีกอย่ น, นึ่งที่อาจมาอยาจะเพิ่มนะก็คือว่าการรู้จักมองแง่บวกมองบวกในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามองว่าอนาคตจะช่วงโชติว ช, ช, ชวา ต่หมายถึงว่าอะไรที่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพยายามมองหาข้อดีของมันมีเจ้าของเมืองโบราณนะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วคุณเล็กวิลิยพัน์ก็เป็นเศรษฐีก็ร่ำรวยมากแต่ก็เป็นคนที่ติดดินแกเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคล แปลว่าอะไรแปลว่าวันไหนถูกตําหนิวนะันนั้นเป็นมงคลนะเป็นมงคลพ่อลายนะเพราะว่าคําตําหนิมันทําให้เราทําให้แกได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองทําให้เห็นว่าจะต้องอะไรจะต้องมีอะไรต้องแก้ไขบ้างหรือว่าคําตําหนิช่วยทําให้ลดตัวตนลดอีกโก้เพราะว่าถ้าไม่มีคำำําตําหนิมีแต่คำมีแต่คน ย, ย่องสรรเสริญยกยอปอบป้านก็อาจจะหลงตัวลืมตนคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาะ นั้นคำตอนนี้มีประโยชน์นะถ้าเรามองแง่บวกนะฮะมองแง่บวกลองหัดมองแง่บวกแบบนี้บ้างว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอุปสรรคก็มีประโยชน์ฮนะเพราะมันทำให้เราเนี่ยได้ใช้สติปัญญาตเต็มที่มันทำให้เราเจอโจทย์ใหม่ๆที่ช่วยท้าทาย ท, ทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นในโลกนี้มันล้นแล้วแต่เป็นเพราะเจออุปสรรคเจอวิกฤตนะฮะ เป็นเพราะน้ำมันแพงคน้ำมันโลกแพงเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะโอเปกเนี่ยเาเาเาเานัดกันนะนัดกันาจากัดการผลิตน้ามันน้ำมันเลยแพงเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการในการใช้พลังงานและตอนนี้น้ำมันจะแพงแล้วนะฮะแล้วก็น้ำมันกลังจะหมดด้วยตอนนี้ก็เลยทำให้เกิด รถไฟฟ้าขึ้นมาอีกคนตอนนี้รถไฟฟ้านี่กำลังจะมาแรงนะฮะเขาประมาณวอีกสิหปีนี้รถไฟฟ้าจะเกินเกินโลกเลยเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีการผลิตรถไฟฟ้าที่สามารถที่จะวิ่งได้ตลอดทั้งวันโดยการชาร์จไฟเพียงแค่ครั้งเดียวไม่กี่ชั่วโมงและเร็วมาก เ, เร็วพอกับรถสปอร์ตเลยคนเราเนี่ยไม่มีสติปัญญาคิดหรือไม่มีความใจเป็นต้องคิดสร้างสรรค์แบบนี้ถ้าเกิดว่าน้ํามันเนี่ยมัน มันมีเหลือเฟือแล้วก็ราคาถูก น, นั่นทำมาคิดว่าอุปสรรคมีประโยชน์นะความล้มเหลวก็มีประโยชน์นะความล้มเหลวมีประโยชน์เพราะมันทําให้เรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนมาทำให้เราได้บทเรียนทำมาคิดว่าคนเราเนี่เยเรียนรู้จากความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จคนเราเนี่ยกว่าจะที่เราขี่จั ก, กรยานเป็นเนี่ยเพราะว่าเราผ่านการล้มมาแล้วทั้งนั้นแหละฮะไม่มีใครที่ขี่จั ก, กรยานเป็น ทันทีที่ที่คร่อมจั ก, กรยานจริงๆที่เราเดินเป็นเพราะอะไรเราเดินเป็นเพราะว่าเราเนี่ยตอนเราตอนเราไปทารกเราเดินแล้วเราล้มแล้วล้มอีกจําได้ไหมฮะส่วนใหญ่จำไม่ได้น ะ, ะว่าตอนที่ตัวเป็นเด็กเนี่ยเราล้มแล้วล้มอีกอย่างไรบ้างเราถึงจะเดินเป็นเป็นเพราะเราล้มนะฮะเราถึงเดินเป็นฮะเพราะการล้มมันทําให้เรารู้ว่าเราจะเราจะทรงตัวอย่างไรมันถึงจะไม่ล้ม อาจารย์ต so, ังบอกว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้จากความล้มเหลวมาความสําเร็จเพฉะั้นถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่กลัวความล้มเหลวฮะเราเจอความล้มเหลวเราก็พยายามมองหาประโยชน์จากมันแล้วเราจะไม่หนีจากความล้มเหลวบางทีการหนีความล้มเหลวนี่ก็อาจจะทําให้เกิดคนที่พยายามหนีความล้มเหลวตลอดเวลานี่บางทีไม่ไม่พัฒนาเลยนะเพราะว่าจะทําอะไรก็คิดแต่จะเอาสิ่งที่มันง่ายที่มันสําเร็จอะไรที่ยากก็ไม่ทําเพราะกลัวล้มเหลว เร่งนี้คนเราจะโตะได้อย่างไรนะอันนี้ธรรมาก็ก็อยากจะฝากไว้นะการมองแง่บวกเนี่ยในในความหมายเนี้นะถ้าเรามองแง่บวกเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกดีกับตัวเราเองมากขึ้นหลายคนเนี่ยเห็นแต่แง่ลบของตัวเองมีครูคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็นครูปรถมเนี่ยแกชูกระดาษ แผนหนึ่งให้นักเรียนตรงมุมขวาเนี่ยก็จะมีกากบาดสีดําถามนักเรียนในห้องว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างเรียนทุกคนบอกเห็นกากบาดสีดําครับครูถามว่าเธอไม่เห็นอะไรอยงอื่นอีกเหรอนักเรียนก็อึง้งครูก็เลยถามว่าเธอไม่เห็นสีขาวของกระดานเหรอสีขาวของกระดานนี่ชัดไหม แต่คนมองไม่เห็นนะคนเห็นแต่การก บ, บาทเพราะอะไรฮะเพราะคนเรามีนโนมจะมองในแง่ลบมองเห็นความผิดพลาดอาจารย์พรมวังโสเนี่ยท่านพูด ค, คล้ายๆกันท่านตอนอาจารย์พรมวังโสท่านเป็นชาวอังกฤษมาบวชกับหลวงพ่อชาสุภัทโทที่อุบลตอนหลังท่านไปเป็นไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลีย ไปที่นั่นี่ท่านต้องสร้างวัดคนเดียวต้พระต้องสร้างวัดกันเองนะไม่มีเงินจ้างท่านก็ทำหน้าที่สร้างก่อกำแพงท่านเป็นคนที่เป็นประเภท perfectionist มากคือในเรื่องความสมบูรณ์แบบท่านก็จะก่อกำแพงที่ละก้อนที่ละก้อนให้มันได้ได้มุมได้ฉากกันใช้เวลาช้ามากเลยท่านทำเกือบเสร็จแล้วท่านพบว่ามันมีสองก้อนที่มันไม่สวย ถ้าไม่สบายใจมากท่านไปบอกเจ้าว่าว่าขอขอรื้อได้ไหมเจ้าว่าบอกไม่ให้รื้อเพราะว่ามันจะเสร็จอยู่แล้วแล้วก็ใช้เงินเยอะท่านไม่มีความสุขเลยท่านบอกว่าเนี่ยเวลาเดินผ่านกำแพงนิทรรศลาท่านจะเห็นไอ้สองก้อนนี่แหละที่มันคาตาท่านท่านบอกเนี่ยถ้าถ้าระเบิดได้ก็จะระเบิดนะแต่วเจ้าว่าไม่ยอมแต่ว่าหนึ่งเจ้าวันหนึ่งก็มีอค า, าตุกะมาเยี่ยมวัดแล้วก็ตุกกะเป็นฝรั่งนะคร มาถึงก็พอเดินผ่านกำแพงเขาก็ชมว่ากำแพงเนี่ก่อได้ดีสวยอาจารย์พรมก็ไม่ไม่เชื่อหูนะแล้วก็บอกคุณไม่เห็นเลยไอ้สองก้อนเนี่มันไม่สวยอคันตุกะบอกว่าผมเห็นไอสองก้อนเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เหลือเก้าร้อยเก้ปดก้าวเก้าร้อเก้ิบปดก้อนเนี่ยมันสวยอาจารย์พมนี่ปิ๊งเลยนะคืออาจารย์พมนี่จะเห็นแต่สองก้อนที่ไม่ดี แต่คันตุการเนเห็นเก้แล้วกสิก้อนที่มันสวยนะมองบวกมองลบมันต่างตรงนี้ฮะมองลบเนี่ยมันเห็นแต่ข้อเสียแต่มองบวกคือมันเห็นว่าให้เห็นข้อดีอะไรบ้างเหมือนกับมองลบเห็นแต่กากบาทแต่ถ้ามองบวกก็จะเห็นสีขาวของกระดาษหลายคนเวลามองตัวเองเนี่ยมองแบบนั้นเหรอฮะมองลบเห็นแต่กากบาทเห็นแต่ข้อผิดพลาดตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีมองไม่เห็น แล้วบางทีก็ใช้มุมมองนี้กับคนอื่นก็เห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นนะแต่ว่ามองไม่เห็นข้อดีของคนอื่นเา้ามีหลายคนนะเวลาเวลาจะวิจารณ์งานของเพื่อนเนี่ยวิจารได้ดีมากเลยอัตมาก็ลองแนะนําถามเขว่าเนี่ยไหนลองชมเขสิชมไม่ออกฮนะชมไม่ออกเพราะนึกนึกเพราะว่านึกไม่ออกว่ามองไม่ออกว่าเขามีข้อดีอย่างไรบ้างทั้งที่ข้อดีของเขาเนี่ยเหมือนสีขาวกระดาษเลยแต่มองไม่เห็นนะเพราะว่า ฝึกมาแต่มองเห็นแต่แง่ลบและไอ้แง่ลบก็มีประโยชน์นะฮะแต่ว่าต้องมองแง่บวกบ้างแต่ในองค์กรหลายแห่งเนี่ยคนเนี่ยมองเห็นแต่แง่ลบนะไม่เห็นแง่บวกก็เลยเกิดความรู้สึกกระทบกระทั่งกันเพราะว่ามีแต่ความวิจารณ์ไม่มีคํามชมนะเอ๊ะการมองแง่บวมันไปส่งเสริมวิมังสานะฮะมันไปส่งเสริมวิมังสารตรงที่ว่ามันทําให้เราเนี่ย รู้จักมองเห็นข้อดีจากคําวิจารณ์จากคําตําหนิเห็นข้อดีจากความล้มเหลวเห็นข้อดีจากอุปสรรคที่ทําให้เราเนี่ยปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้นะตอนนี้ทังหมดนี้ก็เป็นการพูดเสริมนะฮะพูดเสริมอธิบัตนะิสี่นะส่วนคือว่าการทํางานหลักการทํางานเนี่ยนะในมุมพุทธศาสนานเนี่ยนอกจากงานสําเร็จและในงานต้อง ก็ต้องเป็นงานต้องเป็นงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามและคนทำมีความสุขด้วยนะสำเร็จเป็นสุขแล้วก็ถูกต้องนะและคารวะสธรรมก็ดีนะอิธิบาทศีก็ดีเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้งานสำเร็จคนทำงานเป็นสุขแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้องแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของงานนะฮะอย่างไรก็ตามอัตามาก็อย่าบอกว่าคนเรามันไม่ได้มีแค่ ง, งาน คนเราเนี่ยชีวิตเราไม่ประกอบไปด้วยงานอย่างเดียวนะคนเรายังมีมิติอื่นๆด้วยมิติความสัมพันธ์นะรวงทั้งการที่จะเติมเต็มบสิ่งบางสิ่งบางอย่างในจิตใจนอกจากการทําความดีแล้วการดําเนินชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องควรเป็นไปอย่างถูกต้องถูกศีลถูกธรรมนะทำงานดีแต่ชีวิตล้มเหลวก็มีเยอะนะฮะอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักทําให้ตัวเองมีความสุขการทํางานนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่แล้วก็ตามเนี่ย เราจะพูดถึงเรื่องการทำงานดีไม่พอเพราะว่าช่วยเราถึงจุดหนึ่งเราก็ในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องใช้ช่วยให้มีให้ถูกต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีนะแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องตระหนักว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำงานได้นะเราไม่สามารถจะทำงานไปตลอดชีวิตถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องวางวางมือจากงาน คนเรานี่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ดีนะถึงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเพราะว่าทำงานไม่ได้เพราะแก่ชราเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทรมานนะไม่กระสับกระส่ายนะเน้นนอกจากการการทำงานอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักเตรียมชีวิตของเรานะแล้วก็โดยเพราะการเตรียมชีวิตในบ้านปลายด้วยนะหลายคน ไม่ได้เตรียมชีดในบ้านปลายเลยนะทำงานตลอดชีวิตพอไม่ได้ทำงานพอเจ็บป่วยก็ทุรนทุรายนะหรือว่าปล่อยวางออกไปจากใจไม่ได้การเตรียมชีวิตของเราว่าสักวันหนึ่งนะมันก็ต้องมีต้องมีการสิ้นสุดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเสริมเอาไว้นะว่าคนเราต้องเตรียม นอกจากการทำงานแล้วเราเร า, เราลองถามตัวเองว่าเออเราพร้อมเราพร้อมสำหรับจุดหมายปลายทางขอ ง, ของชีวิตเราไหมอย่าคิดถึงแต่จุดหมายของชีวิตอย่างเดียวนะฮะคนเราใคิดหลายคนคิดแต่จุดหมายชีวิตแต่ลืมปลายทางของชีวิตจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตไม่เหมือนกันนะฮะจุดหมายชีวิตบางคนจะหมายถึงเป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นเศรษฐีนั่นคือจุดหมายชีวิต เหมือนกับยอดเขาแต่อย่าลืมว่าเราต้องทุกชีวิตมันมีปลายทางนะฮะอย่าคิดแต่จุดหมายชีวิตเดียวต้องคิดถึงปลายทางชีวิตคือความตายด้วยบางคนทํางานจนลืมคิดจนลืมึว่าตัวเองต้องตายมีนะฮะเยอะเลยที่จะทางานจนลืมว่าตัวเองต้องตายพ อ, ยอยยถึงเวลาที่ตัวเองต้องตายทําใจไม่ได้นะ แต่ถ้าเราเนี่ยทํางานไปเราก็ไม่ลืมไม่ประมาทนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีปลายทางไม่ได้คิดถึงแต่จุดมาชีวิแต่คิดถึงปลายทางชีวิตแล้วก็เตรียมตัวไว้เช่นการทําความดีสร้างบุญสร้างบุศลรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างและตอนจะตายเนี่ยนะก็ต้องคิดถึงปลายทางว่ามันต้องเป็นควรจะเป็นปลายทางที่สงบนะไม่ใช่ไม่ใช่รุ่งโรยแต่เรื่องงานการแต่ปลายทางเนี่ยทุกทรมานตายก็ตายแบบไม่สงบ แล้วถ้าเราคิดถึงปลายทางช่วยเราเนี่ยก็ต้องคิดต่อไปนะเออทุกวันนี้เนี่ยมีคนจำนวมากเนี่ยเขาไม่ได้ตายทันทีนะเขตายแบบตายแบบยืดยืยื ด, ยดแบบต้องยืดในโรงพยาบาลนะไอตอนที่รู้รู้เนื้อ ร, รู้ตัวนี้ก็ยังไม่เป็นไรแต่พอมไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยบางทีก็ไปสร้างความทุกข์ทรมานให้กับลูกหลานและตัวงไงทุกข์ทรมานด้วยก็ได้เพราะว่า พูดอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าถูกเจาะคอใส่ท่อปั้มหัวใจทรมานต่างๆบางทีเราต้องการเตรียมตัวสําหรับปลายทางชีวิตนี่สําคัญนะนอกจากการทําพินัยกรรมนะไอการที่จะเตรียมตัวไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่ในระยะสุดท้ายอะไรบ้างที่เราอยากจะให้ทําอะไรที่บ้างที่เราไม่อยากจะให้ทําอันนี้ก็ต้องคิดไว้เหมือนกันนะ ซึ่งอันนี้ ก, ก็ก็เป็นเรื่องที่มาเสริมกับที่อาจารย์สแสวงนะจะพูดนะในตอนต่อไปเนี่ยคือเรื่องของปลายทางชีิงเราว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะตอนทํางานก็ทํางานให้มีความสุขนะถึงเวลาที่จะต้องนะต้องละวางจากโลกนี้ไปก็ไปสบายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันแล้วก็อยากจะฝากให้ก็คืออยาพลาดอาจารย์สแสวงได้ช่วยต่อจากประเด็นนี้นะตมาขอ ยุติเพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามก็ยังพอมีเวลาก็ขอเชิญได้นะครับก็ให้ได้ถามก่อนดีกว่าครับเชิญครับเชิญถามด้วยครับนี่เลยครับครับอยากเรื่องเรื่องที่ หลักทำในขณะทำงานแล้วเลวลาทางานเนี่ยมีปัญหาในศึกษาอย่างไรครับอาจารยจะถามเรื่ครับอาจมาเสริมหน่อยนะฮะพูดถึงเรื่องซับเซตนะฮะมันมีมันมีเกร็ดน ะ, ะอาจารย์พุทธทาสเนี่ยแห่งสวนพระพลาลามเนี่ยที่สวนโมนี่ก็จะมีการสร้างอาคารสร้างสร้างสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง นะเช่นโงรงพยาบาพทางวิญญาณแล้วก็มีคราวหนึ่งท่านสร้างท่านสร้างตึกสําหรับเป็นที่ประชุมสงฆ์แล้วก็เก็บน้ําแล้วก็เป็นรูปเรือเป็นรูปเรือนะเรือนี้ก็มีความหมายเป็นสัญญษณ์ของพุทธศาสนาท่านใช้เวลาหลายปีฮนะเพราะว่าท่านทำทีละนิดทีละหน่อยก็มีคราวหนึ่งลูกศิษย์มา ลูกศิษย์สวนโมก็เป็นคาราวาก็มากราบท่านนะแล้วก็ถามท่านว่าเรือเนี่ยนะเสร็จหรือยังท่านบอกเสร็จแล้วนะแกก็ดีใจนะก็เดินไปที่ดูไปที่เรื อ, อก็กลว่ายังไม่เสร็จนะก็เลยมาถามว่อาอ้าวยังไม่เห็นเสร็จเลยอาจารย์บอกว่าเสร็จได้ไง ท่านตอบว่าเสร็จทุกวันวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จเมรืนี้ก็เสร็จคืออาจารย์พูดถ้าถ้ามีหลักว่าท่านทำไรเนี่ยนะนะท่านทำเต็มที่นะแต่ถท่านรู้จักวางทำตั้งแต่เช้าจนเย็นนะพอถึงเย็นหยุดงานท่านก็วางและถ้านรู้สึกว่าท่านถือว่าเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่เอามาเป็นไม่เอามาเป็นเครื่องผวงหรือกังวล หลายคนเนี่ยนะถ้าวางใจงไม่ได้เองท่านเนี่ยจะรู้สึกอยู่เสมอมันไม่เสร็จสักทีมันไม่เสร็จสักทีกลับถึงบ้านก็นอนไม่หลับนะแต่ถ้าพุทธาไม่มีแบบนี้เลยนะสำหรับท่านเนี่ยท่านถือว่าเสร็จทุกวันทำแล้วก็ตามเนี่ยเสร็จทุกวันนะอามาว่าเราเอาวิธีคิดแบบท่านไปใช้ก็ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านปล่อยวางแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่อินังข่อมนะท่านทำเต็มที่นะ แต่ว่าท่านรู้จักวางหรือพูดแบบพูดแบบภาษาตมาคือทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสการปล่อยวางกับการพยายามเต็มที่เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะไม่ได้ขัดแย้งกันเมื่อทําเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ง่ายเรารู้สึกว่ามันเสร็จทุกวันนะก็อขอยุตติชนีครับเรียนถามจารนี้กับอาจารย์คือทุกวนเนี่ย คนที่ทํางานนะครสังคมมันมันก็เปลี่ยนเยอะครับบางทีในสังคมเราจจอคนให้ดีบางแห่ก็บ้ากกว่าคนดีคนดีก็จะเกิดเอาแท้ใจผมเองเนี่ยพยายามอ่านของอของสมเษษษษษษษด็จภาษาันตราชเท่าน บ, บว่าสิ่งที่ชาวพุทธาต้องเชื่อที่เราทำความดีทุกวันเราต้องเชื่อก่อ น, นแห่งกรชาวพุทธต้องเชื่อีนี้อยากให้อาจารย์อาจารย์ทำโครงการใน คล้ายๆวาระสุดท้ายอะรอเรื่อที่พี่เคยช่วยคนนะอาจารย์ช่วยอธีบไปเรื่องกรรมอนิมิตกับคาติณิมิตให้คนรุ่นใหม่ฟังว่าตรงเนี้มันสัจสองวาอ่าอย่างไรคือความดีเนี่ยมันมีอ น, นิสง์ทั้งในตอนที่เราทํำเราก็อิ่มเอมใจอย่างน้อยเราก็ไม่รู้สึกเดือดนนร้อนใจที่เราทําชั่ว ไม่ได้คดโกงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเราเร า, เราลึกนึกถึงเราก็จะมีความปราบปรื้มได้ง่ายและอา น, นิสงส์ของค ว, ความดีเนี่ยมันจะตามเราไปจนกระทั่งถึงตอนที่เราใกล้าตายเมื่อเราจะตายเนี่ยเราลึกนึกถึงความดีที่เราได้ทาเนี่ยก็ก็จะมีจิตใจอิ่มเองมมีเกิดปิติมันมีพุทธภา ษ, ษิต ส, สั้นๆบอกว่า บุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตพุทธภาสีสัส้นใช่ไหมายความหมายความว่าตอนจะตายเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้แล้วที่มีความสุขได้เพราะนึกถึงบุญไม่ใช่ไปทำเอาตอนตายนะอันนี้นไม่เป็นแม้จะบุญหรือความดีที่ได้ทำเมื่อสามสิบปีสี่สิบปีก่อนตายเนี่ย เมื่อเราเราเรนึกถึงก่อนตายเนี่ยก็จะทําให้จิตใจเราเกิดปิติอิ่มเอิบใจได้และทําให้เราตายมีความสุขอันนี้นาตามพุทธศาสนาเนี่ยนะเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยพอใกล้าตายเนี่ยโดยเฉพาะในภาะที่สติมันอ่อนเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการทางจิตใจ่างหนึ่งชื่อว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตคือภาพหรือเสียงหรือกลิ่นก็ได้ที่เกี่ยวกับการกระทําในอดีตคนที่ทํากรรมดีมาเนี่ยนะ มันจะมีก ร, รมนิมิตที่เป็นก ร, รมนิมิตฝ่ายบวกแต่คนที่ทำความชั่วเนี่ยมันจะมีก ร, รมนิมิตฝ่ายลบซึ่งทำให้เกิดความตื่นกลัวเช่นคนที่เคยฆ่าสัตว์เป็นประจำก็อาจจะเห็นภาพสัตว์จะเป็นไก่หมูควายส่งเสียงกรีดร้องหรือมาหลอกหลอนพอเห็นภาพนี้ก็จะตื่นตกใจบางคนเนี่ยเคยไปฆ่าคนมา นะพอจะตายเนี่ยก็จะเห็นคนที่ตัวเเคยฆ่าเนี่ยมันก็มาหลอกหลอนพู้นี้เป็นนิมิตนะฮะไม่ใช่เข้ามาเองแต่มันเป็นนิมิตที่มันฝังอยู่ในใจก็จะก็จะทุรนทุรายตายไม่เป็นสุขแต่คนที่ทําความดีมาเนี่ยนิมิตมันก็จะเป็นนิมิตไยบวกน ะ, ะซึ่งทําให้ถึงเวลาตายก็ไปดีแล้วไปสุขตินะะเนี่ยบางคนคิดว่าเออไอคนทําชั่วคดโกงเนี่ยนะ จเจริญ น, นะขณะที่เราทำดีซื่อสัตสุจริตแต่ว่าเรายากจนนะจริงๆแล้วคำว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่ารวยหรือจนนะมันเหมือนกับว่าปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงส่วนไม่ได้แปลว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยเพราะว่าราคาจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดอ่านะ บางปีเนี่ยมะม่วงราคาแพงปู่มะม่วงก็รวยแต่บางปีราคามันตกปู่มะม่วงก็ไม่รวยไอ้เรื่องราคาของมะม่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางโลกแต่ว่ากฎธรรมชาติเนี่ยคือกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องธรรมชาติคือปู่มะม่วงก็ได้มะม่วงนะปู่มะม่วงแล้วอาจจะรวยก็ได้ไม่รวยก็ได้เหมือนกันทําความดีแล้วอาจจะรวยก็ได้ไม่รวยก็ได้เพราะว่ารวยไม่รวยมันเป็นเรื่องขอ ง, ของกติกาทางโลกนะ บางยุคบางสมัยเนี่ยเขาเชื่อชูคนโกงคนโกงก็อาจจะได้ดีเป็นการได้ดีทางโลกแต่ว่าสิ่งที่พุทธศาสนาพูดในเวลาพูดทําดีๆทำช่วยๆเนี่ยโดยท่านเน้นไปเรื่องของจิตใจและสภาวะจิตเป็นหลักนะแล้วก็รวมไปถึงว่าอา น, นิสงส์ของความดีเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้จิตใจเป็นสุขโดยเพราะในเวลาที่ใกล้ตายเนี่ยก็จะอิ่มเอิมหรือว่าเกิดปิติที่ได้ทําความดีซึ่งก็จะไปสุกติ มีประโยชน์อะไรนะรวยมหาศาลแต่สุดท้ายเนี่ยตายไปอบายเพราะว่าไปคดโกงไปทำร้ายผู้อื่นนะไอความร่ำรวยเอาไปเอาไม่ได้เอาไปไม่ได้ได้ซ้ำแถมยังเกิดผลร้ายคือไปตกโลกต ก, ต ก, ต ก, ตกอบายมันไม่คุ้มกันเลยนะฮะดังนั้นถ้าเราตระหนักตรงนี้นะถ้าเรามองเห็นชีวิตในช่วงยาว มองชิดช่วงยาวนะมื่ก็ดูบอล น, นะคุณอย่าดูบอลแค่ครึ่งครึ่งแรกคุณต้องดูบอลให้มันครบ2ครึ่งใช่ไหมบางทีต้องดูบอลอยู่ทั้งต่อเวลาจนจบไม่ใช่ว่าดูบอลครึ่งแรกเห็นทีมก็นะแพ้ทีมขอก็เลยบอกเลิกดูละไอ้ทีมกอ่อุตสาห์ขยันขันแข็งทํามไ ป, ไป แ, พแพ้ทีมขอได้นะมันต้องไปดูอีกครึ่งหนึ่งว่าอไอ้ทีมกอเนี่ยอาจจะชนะทีมขอได้ในสุดก็ได้เพราะว่ามีมี าการทำงานเป็นทีมเวิร์กมีการฝึกฝนกันอย่างดีคนเราจะดูกดแห่งกรรมเนี่ยจะไปดูแค่ช่วงสั้นๆไปดูแค่เออเขาโกงแล้วเขารวยมันต้องดูให้ตลอดนะดูให้ตลอดจนถึงว่าตอนเขาตายก็เป็นอย่างไรที่จริงมันต้องอยู่ดูกระทั่งว่าตายแล้วไปไหนด้วยนะแต่สมาคิดว่าต้องมองในแง่นี้แต่คนสมัยนี้ก็ไม่เชื่อแล้วนะแล้วเขมองในสั้นๆมองแค่มองแค่ช่วงเวลาไม่กี่ปีของการมีชีวิตนะ ตรงนี้คงเป็นกำลงังใจให้ทุกท่านนะนะเพราะว่าบางทีเราเจอไม่ดีเนี่ยในดีก็เรื่องมันทาแพ้ทําทมันนะเรวก็ผมเองก็อยู่ในในโครงการพวกเนี้ยแลาวกับเรื่องทําให้กฎหมาย เ, เ, เกี่ยวกับวาระสุดท้ายอนะไรเนี้ยแล้วก็อยู่ในโครงการของสีร่าดนะ้วยก็จะเห็นหนะนะตอนไม้เหมือนกันหลังใจมันไม่ค่อยจะเหมือนกันตอนนี้ก็ของพระจันทร์เนี่ยจะมีโครงการหนึ่งที่พวกเราจะเคยได้ยินนะ ท่านทำอยู่ให้กับประชาชนนะก็คือว่าเตรียมตัวปเผชิญพันธตายอย่างมีสติตรงนี้ยชาวพุทธไม่เคยคิดถึงเราบางทีเราก็ไม่ค่อยเป็นชาวพุทธนนะนะเราไม่อยากให้พูดเรื่องนี้เลยจริงจริงมรณาสติเป็นเรื่องที่ต้องระึกทุกวันนะะแต่ว่าชาวพุทธไม่เคยพูดอาจารย์จัดโครงการนี้ขึ้นมานะเพราะเราทุกคนต้องเตรียมตัวไปนะนะเพราถ้าสนใจก็ไปเข้าคอร์สอาจารย์ได้นั่นกีวันนะั่นกี่ อ๋โอโครงการเฉลิมความตายสงบนี่มีหลายมีหลายเวอร์ชันหลายหลายแบบอย่างเช่นที่ไปจัดยุวพุธพรุ่งนี้เนี่ยสี่วันบางทีก็จัดเจ็ดวันบางทีก็จัดสาวันบางทีก็จัดหนึ่งวันก็มแแีแล้วแต่นะคือแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่องค์กรหน่วยงานเขาเขามีเวลาให้เท่าไหร่นะเพราะนี่เราเราก็จะเราก็จะปรับไปตามไปตามแต่ละที่ทีนี้อ ยอมคงอยากจะรู้บ้างนะอาจารย์ฝึกอะไรบ้างในครับนะใครสนใจจะไปคือเรามีความเชื่อว่าการตายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความทุกข์ทรมานตายอย่างสงบตายอย่างมีสติเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องเกิดจากการฝึกเกิดจากการเตรียมการนะฮะที่จริงแล้วความตายเนี่ยเหมือนกับการเมือ่อการสอบไล่นะฮะไอสอบไล่ ที่เราผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันไม่สอบไล่จริงใช่ไหมฮะการสอบส่วนใหญ่เนี่ยสอบตกก็ซ้อมได้ไอ้สอบตกก็ซ้อมได้สอบตกก็ซ้อมใหม่ได้แต่ความตายเนี่ยนะมันเป็นการสอบไล่จริงๆนะคือถ้าถ้าตกนะก็นรกอบายถ้าสอบได้ก็ไปสุขติไม่มีแก้ตัวนะฮะสอบอย่างอื่นสอบสัมภาษณ์สอบเอ็นทรานเนี่ยสอบสมัครงานที่แก้ตัวได้แต่สอบครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยแก้ตัวไม่ได้ แต่สังเกตไหมเวลาเราจะสอบไล่เนี่ยเราจะสอบเอนทรานสจะสอบเข้าสมัครราชการสอบตำรวจนี่นะโวเราเตรียมการเป็นเราเตรียมสอบนานมากใช่ไหมฮะสอบเอนทรานสนี่เตรียมสอบตั้งแต่เป็นอนุบาลมั่งว่เราเตรียมสอบเราเตรียมกันหน้าดวยนะแต่ทําไมไอสอบข้อสุดท้ายนี่เราไม่เคยเตรียมกันเลยทั้งที่ทั้งที่เดิมพันสูงมากคือตกอบายเลยถ้าตกก็คือไปอบายนรก หรือไม่ก็อสูตรรักกายดันั้นแต่มาคีดว่าเนี่ยเราต้องเตรียมต้มองมีเวลาเตรียมสําหรับการสอบครั้งสุดท้ายในชีวิตและโครงการประชงวตารสำรก็คือการเตรียมก็คือฝึกฝึกคือเป็นการมาคุยมาสนเริ่มมันจะเป็นเวิร์กช็อปผสมการปฏิบัติธรรมกอมาสนทนาการเรื่องของความตายเราต้องการความตายแบบไหนเราอยากจะตายแบบไหนให้ดีไซน์การตาย แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ใกล้าตายนะจะมีการมีการฝึกภาวานามีการเจริญมรณาสติแล้วก็มีการบรรยายนะรวมทั้งไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยการไปรเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยมันช่วยมากเลยเพราะมันทําให้หลายคนตาสว่างหลายคนเนี่ยที่เคยตกอยู่ในความมัวมาประมาทเนี่ยเกิดความตื่นตัวขึ้นมาไปเห็นคนไข้ระยะสุดท้ายพังง่าพังง่า แล้วก็นึกถึงว่าตัวเองเนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไหวไหมเตรียมพร้อมหรือยังกับการอยู่ในสภาพเช่นนั้นซึ่งคนไทย 90% จะต้องอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะฮะสิตายทันทีเช่นอุบัติเหตุหรือว่าหัวใจวายอีก 90% ้เนตี่ยจะค่อยๆตายด้วยโรคมะเร็งด้วยโรคไตวายด้วยโรคหัวใจนะฮะเบาหวานแล้วก็ตายหรอยูอ่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลก็อยู่บนเตียงนะบางคนก็มี หรือแม้ก็ต้องผ่านการเจาะคอใส่ท่อเตรียมพร้อมหรือ ย, อยังสำหรับภาวะเช่นนี้เนี่ยเตรียมใจมาแล้วหรือ ย, อยังเนี่พอไปโรงพยาบาลมันก็ได้เห็นนะได้สติขึ้นมาก็ทําให้เห็นความสําคัญการเตรียมตัวเตรียมตัวได้การเจริญมานัสติอยู่เสมอเตรียมตัวด้วยการทําความดีไม่ทําความชั่วเตรียมตัวได้การฝึกสติให้รู้จักปล่อ ย, ร, อยรู้จักวางเพราะเวลาตายเนี่ยถ้าไม่ปล่อยไม่วางนะยังหวงลูกยังห่วงทรัพย์ ส, สมบัติยังห่วงงานการก็ไปไม่สงบ อันนี้เราก็พยายามพยายามที่จะฝึกจิตฝึกใจไปนี่ภายในช่วงเวลาสวันสี่วันเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเบื้องต้นนะฮะที่เหลือต้องไปทํากันเองที่บ้านคือคือค อ, คอบรัวนี้คนไทยจะบอกว่ามันหากแต่ตัวเรามางไม่ต้องไปคทำจริงๆคเคเตรียมตัวไว้ อ, อ, ข อ, อ, อขาของผมเองเคยไปเข้าคลอดของพัดยางเรา ก, เก็เขาก็ได้ประโยชน์มากนะเพราะว่าเขาเป็นมันเล่แต่ว่าเป็นกรณีที่ที่ไม่น่านเชื่อคือจิตใจก็ดี ใจไม่เสียเนี้ยจากวันที่เป็นจนวันที่ก็เสียชีปีสิบเอ็ปีฮนะทั้งที่มันก็บบกระอนกระจายแล้วก็ดยู่กก็ได้นี่ในตอนสุดท้ายเนี่ยที่ดูแลเขาเนี่ยนะมันคือมันใกล้ไปนี่คนเราปวดย่าฝันร้ายมากเลยก็ต้องปวดให้เติรเราสร้างภาพให้ใหม่นะบอกว่าปวดเติร์ดแล้วก็นึกถึงวันที่เขาไปเข้าคลอดผ้าจานเนี่ยนะ เรบอกว่าก็ น, นิ่นอนนิ่งเลยครสงบนะวนะ่าสิ่งเหล่านี้มันจะมันจะกลับมาถ้าเราเคยฝึกน ะ, ะันี่สิ่งเนึ่งที่ที่เป็นปัญหามากทุกวันนี้ก็คือว่าไอตอนจะจากไปเนี่ยวันนีเกาฝึกทำเข้าดีแล้วนะในเครื่องมือต่างๆมันเป็นไปหนดนะตรงนี้ทําให้เวลาจากไปมันไม่ค่อยธรรมาชาติในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปช่วยทํากฎหมายฉบับหนึงซึ่งฝั่งเขามีฮะของเราก็มีละ เารียกวิวิงวิวก็คือสามารถเขียนไม่ได้เลยว่าถ้าวันนึงต้องจากไปเนี่ยขอจากไปตามธรรมชาตินะไม่ตายความเครื่องนะยอย่างเงี้ยคนไมยออกมาลองรับแล้วมาคดิช่วงเนี้ยก็บรรยายเรื่องนี้กันเยอะนะยผมพูดเรื่องนี้แทบุกวันนั้นะก็เช้วนี้ก็มีงานใหญ่ที่โรงงานจากกังหวัดมานะของคณะแพทย์ต่างๆจาบผมก็บอกว่าให้เชิญภาคประชาชนเข้าฟังด้วยจะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะ เรบางทีหมอก็คิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์รอกแต่ญาติอยากให้ทำเยอะๆก็เลยเชิญภาคประชาชนเข้าฟั ง, ฟงด้วยว่าแค่เต็มกั น, นเลยนะแล้วก็เลยเอาเรื่องเองนี้ยมันเติมที่นีให้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูดีีทัดสัก12นาทีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะพอสงสัยป็นคนได้เขียนอธนะิบายต่ออันนี้มีหมด